กลมาต่อนะครับเมื่อวานเอาถาหารยนะี่สิ้าการรับขโมยยี่สิบห้าอาการจบหน้าห้าสิเอ็ดนะครั บ, บ, า 5, 11, รบมาหน้ า, 5, 12, 12, 15, 12. าห้าสิบสองนครับหรือห้าสิบสองสาขิติกาปัญจกะคืออย่างไรหมวดห้ามีการรักด้วยตนเองเป็นต้นก็แบ่งเป็นห้าข้อหนึ่งสาขิติกาการรักด้วยตนเอง สอาอนติกะการสั่งให้เขาล่ำสามนิสกิยะการรัำด้วยการกว้างออกไปนะกว้างของเขากว้างไปเลยนี่ก็เป็นการล่ำอย่างหนึ่งครับสี่อัชชาสาธกะการยังประโยชน์แห่งการรัำให้สําเร็จห้าธุระนิเคปะการล่ำลลดยการทําให้เจ้าของสิ้นหวังนีกท่านจะอธิบายนะครับเป็นระยะสัญญาณเป็นยังไง น, นนะ ลองดูอันแรกนะครับบรรดาหมวดห้านั้นข้อแรกก่อนการล่างด้วยมือตนเองคือพิสูจน์ถือเอาสิ่งของบุคคลอื่นไปด้วยมือตนเองข้อ น, นี้ไม่ยากครับก็ไปร่างมาเองนะไปล่างมาเลยนะที่ไหนที่ยวเก็บไว้ของเจ้าของเขาหงษ์แหนต์ตัวเองก็ไปร่างขมูลมาเองครับจําต้องผู้กดนะใช่ไหมถ้าไม่ไว้ถึือใจให้เคลื่อนตัดฐาน ก, ก็ปลารี่าบรรดะคัอนนี้ข้อแรกนี้ไม่ยาก รอบไปรักมิตนะครับที่สองการสั่งให้คนอื่นรักคือพิสูจนสั่งบุคคลอื่นว่าคุณจงลักทรัพยของคคนู้นอันนี้สั่งนะนะสั่งว่าให้ไปรักสั่งคนนู้นถ้าคนนั้นเขาจะรักมาได้แน่ๆนะคนสั่งเป็นปราชญ์ที่ต้งแต่สั่งแล้วนะครับเป็นปราชญ์ที่้งแต่สั่งแล้วคนรักเป็นปราชญ์ที่ตอนไหน ก็เป็นเวลาณยุตอนที่ล่างหนะาับทำขึ้นจากฐานน ะ, น, นะครับตอนนี้ความจริงมีราละเอียดเปิดไปดูได้นาสองร้อยเจ็ดไปสอง้อยสิบสี่นะครับเป็เงินจ่งเล่มสองนะถ้าใส่ออกมานะครับสองร้อยเจ็ดอืมก็เลยพิสูน์ผู้สับ่อาพูดถึงตรงนี้นะครับอันอธิบายเลยนะ เธอทั้งสองรูปต้องเอาแบบปราเิ่นอย่างนี้คือในซับที่จะต้องรับได้แน่นอนพิสู่ผู้สั่งเป็นในขณะสั่งพิสู่ผู้รับสัง่งนอกนี้เป็นในขณะเขาไม่เคลื่อนจัฐานส่วนพิสูจนรูปใดทําปริยายอยู่ในต้นว่าครับปริยายนะองอมๆนะครับไม่ได้เขาไปเล่าตรงแต่พูดเป็นในในนะในเรือไม่มีผู้ชายผู้ชาย ม, มีบ้านนะไม่มีผู้ชายเลย เขาเก็บซับชื่อโนู้นไว้ในส่วนหนึ่งก็ุงพี่เก็บด้วยน้ว่าเขาเก็บไว้ตรงไหนนะครับมันจะจัด ก, การราขาไว้ทั้งประตูก็ไม่ได้ปิดอ่อาน จ, จะรักเอาไปได้ตาม ท, ทางที่ไปแล้วนั่นแหละนครับเข้าไปสามมันไปล่าได้เลยนะเพราะมีแต่พวกผู้หญิงยังไงสู้เข้า อ, อะไรไม่ได้คท้อง ม, มีการอาราคาเลยเชื่อว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่จะพึงไปลักเอาซับนั้น มาเลี้ยงชีวิตอย่างลูกผู้ชายไม่มีนี่นะครับและวิสุรูปอื่นได้ฟังคํานั้นแล้วคิดว่าบัด น, นี้เราจะารับเอาทรัพนั้นจึงเดินไปรับเป็นประราชิเกิดวิสุรูปนั้นในขณะที่ทําให้เื่อนสัจฐานส่วนวิสุรูปนี้ไม่เป็นอนัตตเพราะไม่ได้ใช้ไปรับปัจจมุลยตรงนะนี่จพูดเปไน็นไงไงครับเนี่ยเนี่ยทินาทานเป็นอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าจริงอยู่พิสุผู้ทําปริยายนั้นย่อมพ้นจะอธินาทานโดยปริยายชนี้แหล่ะนะครับจะตา่างเรื่องฆ่ามนุนย์นะข้ามนุษย์เราจะจะไปเจอข้างหน้านะครับแม้ผูดเล่นอ้อง ก, ก็ไม่ได้นะย่อกันน า, นาคุณถึงความตายนะเราไม่ได้บอกแก้ข่ามตัวตายเลยใช่ไหมแต่เราพนันนาคุณว่าความตายของคุณดีกว่าเป็นอยู่ใช่ไหมครับเป็นอยู่ทุกทร ม, มานเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะตายซะดีกว่าเนี่ย ก็มีการ่าอ้อนพ น, นางคุณความตายนะครับเนี่ยผู้แค่นี้นะถ้าเข้าไปข้ามัานตายนะทานก็เป็นตลาชินนะครับแต่ในอานาธาเนี่ยถ้าผู้อ้อมอ้ อ, อย่างนี้มันไม่เปิ น, นครับต้องสั่งเลยตรงนะยให้ใจรักเลนะทีนัที่นี่นะครับที่นี่มีหน้าพิสุการนะครับอันนี้สรุปนะครับพ่สุผู้สั่งนะครับพิสุสั่งพิสุว่าท่านจงรักทรัพชื่อนี้ตอนที่สั่งต้องทุงงกกด น, นะครับของสั่งนะ ที่สู่ผู้รักเข้าใจซับนั้นแน่เข้าใจแล้วว่าเขาสั่งให้รับซังตัวนี้แหละนะครับจึงรักซับนั้นมาต้องอาแบบปลารชิดทั้งสองรูปนะครับอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะครับต้องเป็นตอนไหนนะทีนี้นะครับถ้าว่าคนที่ไปรักเนี่ยคนรับคำสั่งให้นะรไปรับผิดมาครับเข้าใจอันนั้นแหละเจลาร์รักจริงไปรับซับอย่างอื่นมาที่สู่ผู้สั่งไม่ต้องปลาร้าชิดนะครับเพราะไม่ตรงคำสั่งนะ่ ให้ไปร่างหน่อยบาทใบนี้มานะครับไปร่างมาอยู่ใบเนี่ยอันนี้ก็เฉพาะผู้ล่างถ้าต้องแบบปลาช่และมีอย่างนี้นะครับที่ว่าใช้ต่อต่อกันพี่สุรูปแรกอาจจะเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ใช้พิสุกให้ไปบอกพิสุคอว่าให้พิสุคอเนี่ยไปบอกพิสุคอ <c oughs> ให้เลยขโมยมาครับถ้าคําสั่งนั้นมันเป็นไปตามที่อาจารย์บอกทุกอย่าง อาจารย์สั่งกอใช่ไหมก็เลยบอกขอขอก็ไปบอกคอนะครับรับคำสั่งแล้วก็ขอรับคำสั่งแล้วก็ไปรับมาได้นะครับอย่างนี้เป็นปราลาที่ใการทุกรูปเป็นประลาที่สนูกเลยพอตืน่นตามคาสั่งนะครับถ้าบอกว่ า, อ า, า, อ, า, าอาจารย์ก็ต้องเอาบทตั้งแต่สั่งแล้วนะครับอาจารย์ก็ต้องเอาบททุกบทตั้งแต่สั่งแล้วเอพิสูจน์ผู้รับสั่งบอกแก่วิสูจนนอกนี้ต้องบททุกบท น, นะครับ ตอนนี้สั่งต่อสั่งต่อใช่ไหมแต่ลูกก็จะต้องอวบทุกตก้อครับส่วนผู้รับคําคนที่ไปรับจริงๆคือคนที่สามนยะพอรับคำํำนะครับอาจารย์ก็จะต้องาบัตรถุนใจนะครับพอคนที่สามจะเป็นคนไปรังรับคําเนี่ยอาจารย์บัตรถุนใจพอเขารับมาได้อริงนครับต้องประราชิทุกลูกเลยแต่ทีนี้ถ้าคำสั่งมันคาเคลื่อนครับอาจารย์บอกให้กรไปบอกขอให้ขอไปบอกคอไปรับนะครับถ้าว่ากรเนี่ย แกไม่ยอมบอกคอครับแกข้ามไปบอกคอเลยครับคอเนี่ยอาจจะไม่อยู่นะครับหรือแกไม่ชอบที่ไหยนี่ไม่รู้นะก็เลยข้ามไปบอกคอเลยนะครับนี่ละคอไปรักมาครับเฉพาะกรกับคอนะครับที่ต้องออกนบทประราชชิ่ตุลาจารย์นะครับไม่ต้องอ่าประราชิษเลยเพราะมันไม่ตัดไม่มีไปตามคำสั่งนะครับส่วนคอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ต้องอ่านบทอะไรนะครับเพราะสั่งเนี่ยต้องเปอยูตามคำสั่งเหมือับ ถ้าเกิดว่าสั่งไรับอแต่ว่าบอกไปไหลายคนแล้วมันได้บา่คนครับไม่ได้กาหนดจำนวนเป็นยังไงครับว่ามันไบางคนเลยเกิดห้า ม, มาครบช่ไครับคือสั่ทุกคนเลย<ช>ไปร่างมาถ้าหลายก็ได้ถ้ามีจะได้ใช่ไหมครับ อ, อันนี้นี่โด่งครับบอกว่าถ้านีจะได้เนี่ยันคุมกันแล้วครับแต่ว่าทุกคนคที่สั่แต่ละคน ครับครับอ๋อเออครับอาจจะคนละคนละหนึ่งมาสองแต่ว่าสิบคนใช่ไหมครับก็จะได้สิบมาสองอาจารย์เป็นปรารถินนะครับแต่อีสิ่งลูปไม่เป็นปรารถินครับต้องอาบัตทุกบทพราะร่าง ม, มาแค่หนึ่งมาสองครับเนี่ยคั่งมาแค่นั้นไม่ไปบวกคนอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งต่อใครใช่ไหมแค่ครั้งหนึงเดียว แต่อาจารย์สังทุกคนเลยอาจารย์ก็เลยอยู่ร่มเลยครับครับครับอาจารย์รก็สั่งไปกับพิสุกกอขอคอยนะครับครับท่านว่าอาจารย์สั่งพสุกกอิสุกกอก็ไปบอกเด็กวัดขอครับเห็กไปขอแล้วไปเด็กวัดครับแล้วก็พิสุไปเด็กวัดก็ไปบอกิสกขอขอ มีแต่เด็กว่าไม่เป็นค่ับาจารยทางนี้เป็นหมดเลครับดว่าไม่สามารถขั้นไอไ่้ไีไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเป็นกระดันคำสั่งเลยครับก็การที่มีความ่ารักคนละมาสมุแ่เปม้มยความ่าอะร้ดรักคนบอันนี้เขาบอกไม่ไม่คือคนที่รักคนเดียวครับ เป็นคนที่สามเรียกไ้ว่าอาจารบอกว่าให้บอกตอบตอ่อๆกอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอาจารย์คสั่งก็โดยหมดเลยนะครับมันมีลนนักษณะนี้เนี่ยนะที่จะเล่ามาทีนี้นะครับอาจารย์สั่งลูกศิษย์สามคนนะครับให้ไปรักข้าบมานะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ต้องประาชิลูกศิษย์สามคนต้างประราชิล่นะครับปัญหาข้อนี้ผู้ชนะ้างไหนขึน้นกันเลยครับ เนี่ยจะมีคาอธิบายนะครับนี่ผมดูก่อนนะเนี่ยถ้าจะพูดว่าเรื่องนี้อานรู้สึกแปลกทำไมไม่ต้องปลาชีสนะครับอื่ครับเขาบอกว่าสี่คนครับได้ชวนกันรักคารุพันธ์สามคนเป็นปราชิสหนึ่งคนไม่เป็นปราชิกปัญหานี้ถ้าผู้ชนะทังหลายคิดกันแล้วเขบอกว่าคนแรกบาออาจารย์กับมันเตวาสิก สีคนนั่นคืออาจารย์คนหนึ่งอเจวสิษสามคนเป็นผู้ไ้่จะรักทลุพัราคาหกมาศในสี่คนนั้นอาจารย์สั่งว่าคุณจงรักมาหนึ่งมาศคุณจงรักมาหนึ่งมาศคุณรักมาหนึ่งมาศฉันจะรักองศา ม, มาศอาจารย์ของอาคนเรียนสามพวกคุงสามคนเอากรลรกมาคนหนึ่งมาศมันก็จครบหกหครับที น, นี้ฝ่ายประดานเจวสิษ์ทั้งหลายอเจวศิกรูปหนึ่งกล่าวว่า ใต้เท้าอเรียอาจารย์นะอันนี้เขาแปลง น, นะครับใต้เท้าจง ร, รักษามาศนักเล่แล้วก็บอกเพื่อนสองคนนะคุณจงรักหนึ่งมาศคุณจงรักหนึ่งมาศผมจะักหนึ่งมาศแม้เตวาสิกสองรูปนอกนี้ก็กลั่อย่างนี้เหมือนกันคือบอกเหมือนกันที่อาจารย์รักษาคุณสองคนกรับคนะหนึ่งนะคุณจะรักหนึ่งครับคุณนบรรดาชนสี่คนนั้นนะครับมาศหนึ่งของอาาันเตวาสิคนหนึ่ง ในผู้อันเทวศิษย์เป็นสาสัติก า, วารวะหันมาศกหนึ่งของอันเทวศิษย์ที่เขาไปร่ามาใช่ไหมมันเป็นการไปขโมยื่องมือตอนเองเป็นสาสักกานะเป็นการขโมยด้วยตนเองนะครับเป็นอาบัตทุกดของอันเทวาิษยทั้งสามคนนั้นด้วยมาศกหนึ่งนะั้นเดี๋ยวท่าจะบอกนะจะบอกข้างหน้าเนี่ยล่าซับอะไรนะหนึ่งมาศกแล้วก็ย้อนก่อนหนึ่งมาศเต็าบัตทูกดถ้ามากกว่าหนึ่งมาศเตียงไม่ถึงห้าเป็นถึงใจ ก็ตั้งแต่ห้ามาศนะครับไปเนี่ยจะเป็นปรารถิกทีนี้เพื่อบอกว่าอันเตวาสิกทั้งสามคนเนี่ยที่เขาไปเล่าด้วตนเองเข้าเล่ามาแค่หนึ่งมือหนึ่งใช่ไหครับคนละแค่หนึ่งก็เลยเป็นแค่ทุกข์ก่อนะครับเป็นปรารถิกแกอันเตวาสิกทั้งสามคนด้วยห้ามาศนั้นนะครับที่เป็นอารติกาเรียกว่าอย่างที่อารติกาภาษาเพราะว่าแกเล่บบามันคนละหนึ่งก็จริงนะครับที่ล่าด้วยตนเองนะแต่ที่แกสั่นะห้าเรา ก็แก่สังอาจารย์ให้ไปรักสามใช่ไหมแล้วสั่งเพื่อนสองคนให้ไปรักคนละ1คนละ1ใช่ครับทั้งสามคนเนี่ยก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะคัใช้าจาไปรักสามแล้วบอกเพื่อนสองคนให้ไปรักมาหนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในประโยคที่ใช้เนี่ยลูถึงทั้งสามคนจึงต้องแบบ p รา r ิ l นะครับอันทีาาร่รักเองกับสั่งจะไม่รวมกันนะไม่รวมกันนะครับรักเองก็ส่วนรักเองสั่งกคือสัอัรักเองเขาไม่ไม่ถึง p รา r a l เพราะพขรักเองแค่หนึ่งใช่ไหม ก็ปัดไปแต่ที่เขาสั่งเครับมันคมห้ามาศพเพราะนั้นลูกถึงสามคนเนี่ยก็เลยต้องปรารับแต่ว่าอาจารย์ไม่ต้อง <c oughs> ส่วนสามมาศของอาจารย์เป็นสาติกาอาจารย์รับในมือตอนเองเนี่ยสามมาศใช่ไ้มครับสามาสมาศเป็นอาบัตถุนใจนะครับแกอาจารย์นั้นด้วยสามมาศนั้นสามมาศเป็นอนติกะอาจารย์รับเองสามที่ใช้ลูกศิษย์มาละกสามใช่ไหมครับ ผมว่าท่านรักหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยแม้ดุษฎีมาส่งนั้นก็เป็นถึงตัวใจเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เลยโ้้นไปนะครับเพราะว่ารักเองกับสัมไม่รวมกันไม่รวมกันนะครับทุกสินตนนะจริงอยู่แน่ที่นาคาสิกขาบท น, นี้สาห า, าติกะตาล่ามี่ตนเองนะครับไม่เป็นองค์ของอนัสติกะการสัมนะครับหรืออนัสติกะไม่เป็นองค์ของสารติกะแต่สารตาิกะนะครับรักเองเนี่ย คุณปรับรวม ก, กับอนัตติกาอนนัตติกาคุณปรับรวม ก, กับอนัตติกะต่อไปนะครับเราจะศึกษาได้แล้วการลักโดยความไปคือพิจุยืนอยู่ขั้างในสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ด้วยดาบภาษีโยนของออกไปนอกดาครับเพราะนี้กป็นําคัญนะคะไปต่างประเทศนะไปพม่าไปลาวไปเขมรนะครับมันต้องผ่านดาบนี้นะถ้าแอาลม์นี้ภาษีนะครับเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้ได้นะครับ ไปดูหน้าร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสี่เกียร์ด่างพลาสติกนะครับนี่ท่านบอกว่าคือตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้นําไปเองไงแต่เปรี้ยงเข้าไปนะครับซข้าไปหล้วราคาห้างมาศขึ้นไหมอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าพนัก ง, งานรักษาด่างพาสติกนัเพอนะครับก็เลยเปรี้งไปเลยมาใส่ถุงไม่ดีนะครับแล้วก็โยนข้ามด่านพาสติไปเลยพอของนั้นตกนะครับก็ต้องปราริน เออข้ามมาครับหรือว่าของอที่ด้านล่าคาันะครับไม่ยอมเสียภาษี้งถ้าผานน้มันต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ไม่อยากเสียบาษีก็เลยโยข้ามไปนี mm ่ hmm. นะครับมีความอธิบายนะถ้าบอกว่าที่สู่อยู่ภายในนั่นเองเห็นลักษณะทั้งหลายมันเหม่อเสียจึงกว้างไปนะเพื่อต้องการให้ตกไปภายนอกถ้าสัญญานั้นเป็นของจะตกได้แน่นอนพอหลุดจากมือต้องประหลาดชิด อ๋อหลุดจากเมื่อแต่เป็นปลายเม่แต่หลุดจามือนะครับยังถึงยังไม่หล่นจากหล่นพื้นนะเพราะว่ามันจะหล่นพื้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าโยนแรงครับไปกระทบต้นไม้หรือว่าตอไม้นะครับแล้วก็ได้กลับมานะครับอย่างนี้ยังไม่เป็นนะครับถือว่ารอดดูได้กลับมาหรือว่าโดนแรงลมครับพันกลับมานะน่ะงอได้ไม่เป็นไรนะ แต่นี่มันขนาดเข้าไปเข้าไปด่านแะล้วนะมันไปโดนตอต้นไม้แน่งกลับมาครับยังถ้ายังนี้ถ้าหยิบแล้วก็คว้างไปอีกแล้วก็ตกนะมันจะเป็นปรลาชิ้นนะครับก็ว่าถ้าฝดาด่านนั้นตกที่พื้นดินแล้วกลิ้งเข้ามาข้างในอีกเธอต้องปลาชิ้นเหมือนกันนะครับเพราะมันนะตกไปแล้วนะกลิ้งกลับมาแล้วไม่เกี่ยวนะครับหรือมันตกไปแล้วถ้าแด่งกลับมาเอาที่เป็โดนต้นไม้หรืออะไรนะแต่ทถ้าหล่นพื้นแล้วกลิ้งกลับมาไม่ต้อ รือวเป็นปรราชิบไปแล้วนะครับ อ, อันนี้ในกรุษทีไัดสังเขปเาเอกสารกล่าวว่าถ้าพันด่านั้นตกข้างนอกหยุดแล้วจึงกลิ้งเข้าไปเธอต้องประราชิบถ้ายังไม่ทันหยุดเลยนะครับพอไปปุ๊บแล้วก็กลับมาเลยนะกลิ้งเข้ามาอะไรนี่ยังคุ้มได้ฟิสูอยู่ภายในใช้มือหรือเท้าหรือไม้เขียเก่งไป หรือให้ผู้อื่นกิ้งไปถ้าปันดาหนั้นไม่อยู่กลิ้งออกไปต้องประราชิ่งนี่ก็ประราชิังเหมือนกันถ้าปันดาหนั้นอยุดข้างในแล้วจึงออกไปข้างนอกอย่างคุ้มได้ปัญหาที่วิสูวางไว้ภายในด้วยคิดว่าจะกลิ้งเ่งออกไปเองหรือว่าผู้อื่นจะให้มันกลิ้งออกไปภายหลังกิ้งเองหรือผู้อื่นกลิ้งออกไปข้างนอกอย่างคุ้มได้เหมือนกันหมายความว่าทางหอาจจะไม่เสมอนะดาบบางสีใช่ไหม อันนี้นะครับด่านอยู่ตรงกลางนี่นะเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเรวางของมันจะกิ้งไปเองน ะ, ะเราไม่โยนไม่เขี่ยไมาอะไรน ะ, ะรู้ว่าทาง ม, มันลากทันลงไปแล้วก็ของวางกับพื้นให้มันกลิ้งไปตามธรรมชาติแล้วมันกิ้งพ า, า, า, <c oughs> า, านดพ า, าสีเข้าไปนะครับอย่งนี่ไม่ดูนะครับหรือเลยไปวางไว้นะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ไครน ะ, ะพอดีมีคนเข้าขกลิ้งของเราไปเองเราครอบไปในดา่านนี้ก็ไม่ดูน ะ, ะอย่างนี้นะ วางไว้ในที่ว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเตะมาโดนอะไรอยงนีน้นะไมครับไม่ไปไนะครับถ mm ึง hmm. ขนาดเนี้ยนอะออขนาดว่านะครับีแอบแอบวางเข้าไปในอย่างคนอื่นนะก็ยังไม่โดนเลยนะครับไม่โดนนะครับซุกเงินลงฟังเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ต้องมีใช้ของนั้น ถ้าบอกว่าแม้ในพันด่าที่วางไว้ในยางที่จอะอยู่เป็นต้นเข้าเจาะล้นไปใช่ไหมแล้วก็แอบไปวางไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่แล้วครับครั้ะเมื่อยางเป็นต้นนั้นไปไว้นความพ ย, ยายามของที่สุนั้นครับแม้เมื่อมีไถยจิตการลักขโมยย่อมไม่มีเหมือนกันครับพ่อเราไม่ได้ใช้ไม่ได้สั่งแต่แไปวางไว้เขาขับล้นไปเองไม่เกี่ยม <c oughs> <c oughs> ยันหมครับยืนครับที่รถนั้นพิสูนที่จะเอาไปวางไว้ของนายรถที่เราไปเลื่อนรถเราไปนั่งไปเลื่นอันนี้ไม่ได้พูดถึือพิสูจน์นั่งบอกจะไปวางไว้อย่างตอนแรกรถมนจอดอยู่นะแล้วก็ไปวางในรถท้งครับนะแน่จำเหมือนกันนะตัวเองนั่งอยู่ใช่ไหมรถเองนั่งแต่ก็วางตอนแรกรถจออยู่ยังไม่เข้าไปหรอ ก็เลยวางไว้หลังเแหละตัเไปนั t ่งข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้ม่ี้เอ๊อย่างนี้จได้กสรับรถนก็น่าจะเข้าข่ายเราไปรถโดยสาานนี่ไครับเขาออกกันนแต่ต้องรู้ว่าแบบเราใช้ท้องใช้โฉบเปดขับอะไรบ้าร่าแบเราใช้ทอาใช้ขับอะไรบ้ แอบไม่ได้รั้นเลยนะได้ได้ได้ได้นี่หน้าครับเพราะเราเว้นความพยายามเรามีพยายามอะไรนะครับ ท, าา ท, าาที่ใช้เ ข, ข้าหน่อไม้แมุ่ปวันที่เชิครับในในอาจารย์ว่าสมควรถ้าครับท่าบาอกว่าพิสูจวางไว้ในยานหรือบนหลังม้าเป็นต้นซึ่งกําลังไปถ้ากําลังไปนะด้วยทคำในใจว่าพันด่านี้มันจะนําออกไปในภายนอกเมื่อพันด่านั้นถึงนําออกไปแล้ว อาหารย่อมไม่มีไม่มีใช่ไหมครับรถกำลังไปนะครับก็ไปว่างไวนะ้ะแม้พันดัชไทยก็ไม่มีเพราะเหตุไรเพราะพระราชาที่กล่าไว้ว่าจงเก็บภาษีแก่คนผู้เข้ามาในที่นี้นครับจึงอยู่พันดัชนี้ที่จุตั้งไว้นอกดัชภาษีและเธอไม่ได้นําไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพันดัชไทยและก็ไม่เป็นฝาชิกเพราะว่าอันนี้พระราชาว่าให้เก็บแก่คนผู้ผ่านเข้ามาในที่นี้ะนะ แต่ถ้าไม่ได้ผ่าเข้ามาถ้าอยู่นอกหนางตาสีนะครับแล้วก็วางไว้แล้วเรามันก็พาเข้าไปเองไม่เป็นผลัดใช้ด้วยแล้วก็มันเป็นประลาชิกด้วยครับแต่ว่าถ้ามีความพยายามของพิสูจนี้ไม่ได้นะพยายามใช้ทั้งนมดแต่ถ้าพิสูจวางแล้วขับยางเป็นต้นไปอยู่ให้กล้าลุกไปก็ดีนะครับยืนข้างหน้าแล้วเรียกพวกสั่งมานักผ่าหน้านะครับมาเถอะง้วยดังนี้นะครหรือไล่โนนให้พวกสั่งมานี่ อันนี้ก็เป็นปราชที่ในขณะดเก้ารูปแดงไปอันนี้ก็ขอข้ามมานะทีนี้นครับจะมีลักษณะ น, น, นี้พิสุรูปหนึ่งทำความผงใจไว้แล้วว่าอ่าแล้วไปด้วยที่ว่าถ้าเจ้าพนัก ง, งานพาษีทวงว่าท่านต้องให้ค่าพาสีเราจะให้ถ้าเขาทวงนะถ้าพวกเขาไม่ทวงเราจะไปดังนี้เจ้า พ, พนัก ง, งานก็เลยถือพิสุนะครับพ่อรีก็เลยกล่าว่าพิสุรูปนี้จะไป พวกท่านจงเก็บค่าภาษีพิสุนะเจ้าพานาาพาักงานภาษีนายหนึ่งพูดขึ้นว่าบรรพชิตจะมีค่าภาษีแต่ที่ไหนเล่านี่มลไปเถอดดังนี้เป็นอนได้ข้ออ้างที่สุควรไปต่อเพราะพวกนายด่าในครา้งนี้แล้วนะเนะขาไม่เก็บครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่สุดทั้งหลายที่ยังไม่เสียค่าภาษีเสียก่อนไปไม่ควรครับก <c oughs> <c oughs> ็เพราะเห็นนั้นเมื่อวิสุพูดว่าละอ่อนเถรุบาศดังนี้ อันนี้ค่าเลยนะครับทีนี้มาตรงนี้ยนะถ้านะครับเรหนีพาสีนะโดยเข้าไปที่ด่านเลยนะครับแล้วก็ร่วงเลยไปนะโยนไปก็ดีนะครับนั่งเข้าไปเองก็ดีได้ราคาเนี่ก็เป็นปะลาชิดใช่ไหครับแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าไปในด่านพาสีโดยตรงแต่เราไปข้างด่านครับถ้าข้างด่านนะถ้าบอกว่านะครับมันจะมีอุปจาระของด่านนะครับอือ แต่ในมหาตกะกัหาทั้งกล่าวไว้ว่าเมื่อพิสูจนแรงหึงโทษอย่างเดียวว่าผู้าจจราชฉุดเบียดเดียนผู้หลบเลี่ยงดังนี้จึงกล้าลงสู่ปัจจาระและหลบเลี่ยงไปเป็นทุกข์ก่อนเอมื่อไม่กล้าลงเลยแต่หลบเลี่ยงไปไม่เป็นอาบั่ะควงหนุ่มจร่าอุปจาระไว้สองในดุบาทสมมุติว่าเนี่ยเป็นหนังฟางสีใช่ไหมครับตัวหนัฟางสีมันกินพื้นที่มาถึงนี่นะครับ ถ้าเราเข้าไปหลบเลี่ยงมาโดนแน่ใช่ไหมครับเราก็ไม่เข้าไปที่ด่า น, นะครับเราก็ไปข้างๆนะเอาปจาัจจุระกของด่านทางสีแน่ตัวด่านไปนะครับเน่าไปข้างละสองเล่มอยู่บัดสองตุะะ๊กับเพียงก้อนมีไปสองตุ๊กน ะ, ะจากตรงตรงด่านข้างด่านไปนะครับสองตุ๊กถ้าหลบเลี่ยงไปตรงปรจรัจจุรากเนี่ยไม่เป็นปลาเช็คแล้วนะครับแต่ยังต้องอบัตดทุกกล น, นะครับแต่ถ้าเราไม่ไปปัจจารากเลยนะครับ อาจจะอ้อมเขาไปทักอยู่เลยนะคิดว่าถ้าไปทางน่านมันไม่จะถูกปักถูกอะไรใช่ไหมครับอ้อมหลังท้องไปเลยแต่มันก็ต้องไปถึงตรงนู้นเหมือนกันนะครับไม่ผ่านด่านอย่นี้ไม่เป็นไลนคะครับไม่มีอาบัตเไย น, นะเขาปักเข้ า, าตรงที่ด่นจีิงๆนะครับอืมครับอ้อมขขาน่าแบกอะไรต่ออะไรไปนะครับแล้วค่อยไปที่นูน่นครับแน่ถึงจะไปนะครับอันนี้ก็ผ่านแค้ด่านทางสีนะนนได้รู้ข้อมูลไว้ไหมครับ เรื่องด่านที่เราอกมาถึงผานด่านเลยนะครับถ้าใบด่านอืม่ผ่านด่านก็เยว่ไเสลี่ครับแต่ถ้าอุปสรรคล่าด่านนะตัดตด่านออกใบข้างละสองทุบาทเนี่ยยังโดนทุกกครับอืมประมาณนโดนทุกคนแต่ถ้าอ้อมไปเลยมั่ผ่านด่านไม่ผ่านอุปสรรคล่าด่านนะอ้อมไปครับเลยไม่โดนทางไหนก็ได้ขออย่าผ่านด่านกันเลขทุนบาทนี้ก็แล้วกันนะครับยังขกัสมมติว่า ที่ด้านเกตภาษีนั่นแหละเขาต้องเกตภาษีคนผ่านแบบนี่ยครับแต่เราไปขอพระดิจนาทีให้ครเนี่ยเราผ่านไปนครับเมื่เอาไม่เป็นไรครับก็มาในที่เนี่เขาบอกว่าเนี่ยรักอัลอุบาโกเมื่อเจ้าพนักงานภาษีพูดว่าเมื่อเราจะเกตค่าภาษีของพิสุก็จะต้องเอาบาและจีวอจะมีเบี้ยวอะไรด้วยบาทและจีวอนั้นนี่มลไปเถิดดังนี้กรดีเป็นอันได้ข้ออ้าทีดี ถืว่าได้เขาอ่านนะเพราะเจ้าที่เขาอยากเขาไม่ยอมเก็บนครับาเรไปเข้าปากลงไปเราเราเราไม่ไม่งนาบเนี่ยรเรา้อะไร่างเงี้ยนี่ไม่โดนเลยครับไม่โดนเลงครับไม่โดน พ่อเก้าหรือพ่อจมที่นไม่ไม่โดนตาตาไม่ไหนตรนี้นะถ้าเกิดเข้าปฏิบัติไปโดนเจ้าหนที่จับได้ก็เก็งเรื่องหนเคลียร์กันเองก็อาจจะติดตัาจจะติดกฎหมายก็ข้าวข้าวเคลียร์อันนี้าวไม่เปิดตลาดไงเวลาคุณเลี้ยน้องนี่เรื่องน้องทุนหนัเราออกจาก เราข้ามดาบเราคือเราไม่ได้ผ่านดานอะไรนี้ใ น, อ น, อนตอนแรกหลานแต่เขามารู้ว่าเราทีหลังน่นะรู้ว่าเรารรอี่ยงแล้วเรบออกไปใช่เราเราออกไปอย่างี้แล้วเขาไปเรียกองาทีหลังโอนจ่ายไม่ได้ดีเนี้ยเมื่อเสียยังไเออตรงนี้ท่าหมอพ่อเอาแดางจับบัตาสีจะพอ่อหนาสมัยก่อนเ็พ่อมงเก่งเงินที่จะพอ่หอหนาขอครับ พราพราชาเขาจะขี่ยู่ตรงนี้นะคือด่านเก็บภาษีคุณผ่านมาทาง น, นี้ไม่ต้องเสียภาษีครับแต่ว่าฉันไม่ได้ผ่านทางนี้จะมาเก็บฉันได้ยังไงเรววาก็อ่าไปอย่างนั้นนะมันจะได้หรือเปล่ถ้าว่าเข้ามานะข้ามด่านเข็มาแล้วนะครับออข้ามเข็นมาแล้วใช่ไหมไม่ได้กำลังข้ามท่านก็อยู่ในที่นี้แนละ้วนครับถ้าปรับประหลาดเิ้นีไ่ได้นะนั แต่ถ้าเขามันจับสีหลังเขา้เามากอ้าวอาตมามีวัตถุอะไรนี่ถ้ามันแนะนวัตถุเข้ามาใช่ไหยครับทนี้พู ด, ดถึงว่าถูุจริงนะคนไม่ได้พูดนะครับอ้าวพลาดที่เข้าผ่ากับที่เฟสมาบางทีถ้ามีแหวเข้าไปนี่มันเขาจะมีนั่งไม่ไขึ้นเครื่องบินนะครับเขาจะมีรถตู้นะเข้าทางอะไรเนี่ยแล้วก็ไปออกถึงย่างกุ้งหอะไรนะคะรับทะลุไ้ไห น, นเลยมันจะมีพวกที่ยังนีอยู่ครับ คงที่เข้าทำงานตรงนี้อยู่แอนไปครับก็จะมีรถโดนสารรถรถตู้เข้าไปครับแล้วพรก็เข้าแปเข้าด้วยครับผมสึงเคยถามจานย์อาจารย์ว่ามีไปเ้าาตามนี้เลยนยครับนี่ของคือของครับออครับแต่ดิจัที่จขาถามอาจารย์เขาบอกอ้วถ้าคน ถึงถึงหลบหนีเข้าไปทั้งเป็นตัวคนไม่ได้กี่รอบคออันนี้ครับ จ, จบี่จได้แต่ว่าทางโลกก็ต้องก็ต้องสาย้เขานี้ไหมเหมือนก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะครับต่อไปนครับการยังประโยชน์แห่งการรักให้สำเร็จคือพิสูจน์สั่งบุคคลอื่นว่า คุณจงรับทรัพย์ของบุคคลโน้นในเวลาที่คุณสามารถจะรักได้โอ้คําสั่งนี้คุ้มมากนะครับคือตอนแรกเขาสั่งคนนี้ไปแล้วนะคนนี้เขาไม่สามารถจะรักมาได้ครับเขาก็เลยกลับมาหายอีกทีนึงรุ่นนี้ก็เลยสั่งว่าเอา้าตอนไหนก็ได้ถึงก็ไปรับมาเนี่ยตอนไหนก็ได้ที่คุณสามารถจะรับมาได้ครับการับตอนนั้นแหละไม่กำหนดเวลาแล้วแต่นะครับในฐานะนั้ น, น, นถ้าผู้รักเป็นผู้ปลอดอันตราย รับทรัพย์นั้นมาได้แน่นอนท่าจะรับมาได้แน่นอนนะถือสู่ผู้สั่งต้องแบบประราชิดในขณะที่สั่งนั่นแหละนะครับถือว่าต้องประราชิษนั้งแต่สั่งนะครับแม้ว่าเวลามันจะผ่านมาตังห้องสิปีข้าวถึงร่างได้ทีหลังน ะ, นะครับแล้วห้งสิบปีแล้วคุณรางได้นะไอคนสั่งถือว่าเป็นประราชิษนั่นแต่สั่งแล้วนะครับถ้าศึกไปหรือตายไปเนีน่ยท่านบอกว่า มองว่พาพระบอกว่าถ้ า, า ท, ที่เป็นประลาชิ่งแบบส็จไปหรือพระที่เป็นประลาชิ่งแบบตายเอาขนานเลยนะครับในก่อนที่เขาจะรักมาได้แน่นอนครับ น, นี่หนักนมากครับอันแรกสองอันนี้ครับตายกับล่ากหน้าก็ชื่อว่าภาะประลาชิ่ตายสึกก่อนรางหน้าก็ชื่อภาะประลาชิ่สึกอันหนึ่งที่สูดเอารองเท้าเป็นต้น อซึ่งพอจะซับเอาน้ำมันได้ราคาห้ามาศกทิ้งลงไปในหม้อน้ำมันของบุคคอื่นพอลองเท้าหรือจากมือนั้นเท่านั้นแหละต้องแบบกปรลาดชีวิตครับต้องการรับน้ำมันหรือว่าเนยใสยต้องรับขมือเขานะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ยกขึ้นมานะครับเพื่ออารองเท้ารองเท้าหนังหรืออะไรก็แต่นะที่มันจะดูดซับน้ำมันราคาห้ามาศกได้ น, นะครับเพราะว่าหย่อนลงไปพอรองเท้าหลุดจากมือนนครับ ก็ต้องเวลาชิปแล้เลพราะถ้าลงไปปุ้มเนี่ยมันจะต้องดูดแล้วมันเข้ามาใช่ครับหน้าของมันมครับนีอนะหนักเลยครับตอนนี้จะมีพูดถึงเนระื่องเกี่ยวกับการรักนะครับการลักซ้ํานะเอ่าที่อยู่ในหม้อนะครับลักซ้ําอยู่ในหมอ้อใช้มือตักเอาครับถือว่าหม้อของซ้ำใช่ไหมเรารู้ว่ามีหม้อของซ้าอยู่นะครับท่านพูดถึงเยอะเลยนะ น, นี้มันจะไปค่ามเกีย่ยงข้อนะครับพอมันมีหม้อของซ้ําครับแล้วก็เปิดหิวออกมาเรียบร้อยนะข่าจะไปซอยไว้ตรงไหนถ้าไปเจอเข้าอบดีนะเป็นขุดกันอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหม้อไอ้หม้อของซ้านะวิธเห็นหนักมากนะครับแบบกไปไม่ไห้เนาะนะครับทำไม่ดีก็เลยใช้วิธีตักเอาครับตักเอนี้จะกำหนดเป็นประราชิบตั้งแต่ตอนไหนครับท่านบอกว่า หนูเลาชี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครัตอนที่ว่านะครับทําสร้างนั้นให้เข้ามาอยู่ในภาชนะของตนหรือว่าตักเอาไม่ถึง น, นะครับถ้าหนูว่าก็ถ้าพิสูจน์ไม่สามารถจะยกเอาหม้อขึ้นได้เนี่ยนะอันนี้เป็นข้อหนักมากนะครับจึงสอภานภาชนะของตนเข้าไปอะไรนะอันเป็นธนาขนาดนึงนะสอดตวงเข้าไปฝาบานขาน้าดนึงครับตัวเข้าไปเลยเพื่อรับเอาเพื่อรับเอาซับที่อยู่ในหม้อ มีไถ่สิทธิ์เลยครับจับต้องทรัพภายในหม้อควรแก่ข้าห้ามาศกตานเกินกว่าห้ามาศกตามต้องมาทุกกฎก็การกําหนดที่กล่าวมในภาคบาลีนี้เพื่อกําหนดอามแบบปรราชิษย์เลยครับเมื่อพิสู่จําต้องทรัพย์แม่หย่อนกระห้ามาศในการใดพิสูจน์ตัดความที่ซรัพยเนื่องเป็นอันเดียวกันผ่าแล้วซรัพย์ที่อยู่ในหม้อก็อยู่ในหม้อนั่นเอง แม้ที่อยู่ในภาชนะก็อยู่ในภาชนะเท่านั้นในการนั้นซับชื่อว่ามีอยู่ในภาชนะของตรงแล้วพอตักมาเนี่ยไอของอยู่ในฝาหมัตก็อยู่ในฝาบัตใช่ไหมครับจะไม่เนื่องข้าง่างของที่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างถึงแม้ฝาหมัตมันจะอยู่บนซัากระตางนะแต่เราตักมามเงินทองอะไรก็อยู่บนฝาบัตรนะถึงเราตักห่างกันแล้วครั้งเธอทําอย่างนั้นแล้วแม้นไม่ได้นําภาชนะออกจากหม้อก็ต่างต้องประราชชีพนคะครับถึงหม้อยังไม่ได้ยกออกนะ จะไปตัวให้มันผ่านกันนะครับลรืออกแบบหนึ่งนะครับใช้มืออะไรไม่มีอะไรนะครับมือล้วงเอาเลยคนระับเท่านบอกว่ากระ ห, ประหัปะณะที่ลอดออกทางช่องนิ้วมือแล้วนะครับจะไม่กระทบกระ ห, ประหัปะณะที่อยู่ในหม้อโดยวิธีใดพิสูจน์ทำการกําเอาใน ว, วิธีนั้นชื่อว่าตัดตัดขากําเอาแม้พิสูจนนี้ก็ต้องประาดชินครับกําเอานะ ม่ให้จะหากระหน่ำเนื้อแบบข้างล่างเลยครับให้มันีว่มทั้งหมดไม่มีรอดประจข้างล่างแล้วนะนี่ครับเอาเกาหมดเลยเนี่ยนี่ก็ด้านราคาก็ต้องปรับสินแล้วครับพวกนี้แหละที่เรียกว่าอัฐาสาสการนะยังประโยชน์ไม่สำเร็จนะครับแม้ว่ายังไม่ได้ยอกใช่หมนะครับแค่เงินก็ดนแนะครับต่อไปครับต่อไปส่วนการรับบริเจ้าของหมดหวัง ธุรา่านิเคฝ่านเจ้าของอทอดธุรา่านะครับพ <c oughs> ึงสรา้างด้วยอำนาจตูเอาสวนอันนี้พูดไปแล้วและสิ่งของที่เขาฝังไว้มันต้องอทอดธุรา่าน้องสองฝานเครับทำพังก็จะไม่ให้คืนแล้วยกว่าคิดว่าไม่ได้นะครับ <c oughs> อทอดธุรา่านไปเลยออภิสูตไม่ให้คืนสิ่งของที่ยืมมาก็ณีนะอ <c oughs> สิ่งที่เป็นพันนะครับยืมมาแล้วก็ขอลืมอไปเลยแน่าม่ยอมยคืนใ ห, <c oughs> ให้ครับ เมื่อนทอดุลาทั้งสองฝ่ายก็ประราชิบนะครัด้านะคะสิ่งที่เป็นพันธะไทยสิ่งของที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ดีก็มีในนี้เหมือนกันนะับที่ว่ามา น, นี้ชื่อสาระสกรัดบรรยากะศเกี่ยวนะว่าต้องร้อยเจ้าของทอดุรานะครับแบาบงทีภาพไปคําของเราเขาเขาเสียหายนะเป็นพันธะไทยต้องชดใช้นะครับถ้ามายอมคดใช้เจ้าของทอดุลาก็ทอดุลากนะก็ยจะเป็นประราชิบไดนะ้ถ้ายังพูดถึงว่า ถ้าไปปล่อยสัตว์ป่าก็มีพวกโยกเขาไปดักหมูป่านะดักอะไรนะครับคือหมูป่าของโหแพง้ะตัวหนึ่งอะไรตังที่นะครับมันแน่าราคาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนที่เขาไปปล่อยเนี่ยถ้าไปปลนะ่อยด้วยใจกรุณาณ์ไม่ได้คิดที่จะรักจะขโวยอะไรนะเห็นหมูป่านมโดนกับดักโดนฟ้าถลอกอะไรคนะรับสงสารนะครับหัวใจกรุณาแล้วก็ไปปล่อยในความเพียรนะไม่เป็นประสาชิกนะครับ แต่ถ้ามีขายเงจีนน่าจะปล่อยที่ขโมยเป็นครับนะแต่ น, นี่ไม่ที่ขโมยมรูาเนี่ยแต่ว่าเป็นพคนไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาครับถ้าไม่ชดใช้ก็ท่าได้ราคาถ้าเขาร้องสองฝ่ายนะก็อยู่ดประหลาดจรงๆครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวฝ่า ไ, ไม่ที่อะไรก็ระวังให้ดีผมไปเจอเหตุการณ์จริงอ่ะเออโหไปเจอเซ น, น่นเป็นเองนะครับ ไปตามสวนโ ย, ยมนะไ ป, ทปทเที่ยวใกล้กับป่าพอถามโยมว่าเป็นเขตป่าครับก็ไปเจอโยมเขาเอาตะข่ายไปดักนกครับนกไปติดเข้าพอดีนะนเะครับแล้วันเป็นเนมท่านก็ใช้ไปปล่อยหผมกลัวกลัวมันจะผิดมันอะไรไม่านะครับเท่านก็ไปปล่อยเองครับแต่ปล่อยด้วยความใจกรุณานะใจกรุณาคนระับแต่ไม่เหนเจ้าของมาทวง ไมี<ภ><ย>ใใค่อยมาทวอะไรเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ต้องระวังให้ดีก็ก็ไปง่ายๆแต่ว่ายังไม่มีการปักอะไรกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่ใช้เขาแต่ถ้าไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยก็ก็ไม่มีอะไรครับเพราะตรง น, นี้ถ้าจะไป น, นี่คือตอนที่เขาจะเอาคืนเราแต่ว่าเราไม่ยอมจ่ายเท่าที่ได้มาสอง ที่ผมถามเป็นประเด็นถามเมื่อวานไปทําลายของคนอื่นถ้าตั้งใจเลยนะมันจะเป็นประราชิดนะครับถ้าการทำลายนั้นทำลายด้วใจโทสะไม่ได้คิดจะรับขโมยนะคิดจะลายอย่างเดียวอย่างนี้มันเป็นประราชิดแต่ว่าเปนผลัดไทายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาครับนั่นนะถึงไม่เพื่อนที่วันนครับถึงไม่เพื่อนไม่อะไรนครับแต่ตั้งใจในที่นั้ น, นครับเงินผลัดไทายต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาครับ ถ้าเกิดเราไม่ใช้นะ้มใช้ก็เนี่ย จ, จะตัก อ, อามัดตอนที่ข้อทีหน้าข้งสองฝั่นะครับตรงหน้าร้อสามสิบหกถ้าใหา 6, นะาาูหน้าอยสามสิบหกหน้าร้อสามเจ็ดนะนี้ตรงย่อหน้าที่สามข้างล่างอ่ข้างบนนี้ก็น้าข้างบนนี้ก็น่ า, าตรงคาว่าต้องอามัดทุกคนนะั่นคือดำๆใหญ่ๆเรนอยู่กางกางหน้านะครับหมดว่าต้องอามัดทุกคนนั้นโดยอ่านว่าเป็นทุกคน เพราะไม่มีการให้เคลื่อนจากฐานอันนี้ท่านพูดถึงว่าอะไรนะทำลายก็ดีเทก็ดีนะครับเผาไปเลยนะก็ดีนะครับนะครับกาะคนนี้เราหมักแนะท้มแล้วเผาเลยเผาทิ้งไปเลยนะครับไม่มีการเคลื่อนนะ่ะมันหายตามสุดเลยนะกับเปลไฟนะครับใช่ไหรือท้ายเป็นของบริโภคไม่ได้เอาอุจจาระปับสาวะยางพิษเทไปเลยนะเนี่ยทิ้ไม่ได้เลยนะอืม บอกว่าเป็นทุกข์กอดเพราะไม่มีการให้เคลื่อนจากฐานอย่างพิเศษชื่วยผู้้าววิสัยแม้จะเป็นทุกข์กอดก็จริงแต่เมื่อเจ้าของให้นํามาให้เป็นพันละทันยังไม่รู้คำท้ายนะจิงอยู่พิสูจไม่ทําการให้เคลื่อนจากฐานเลยพึงเผาเสียก็ดีทําให้เป็นของใช้สอนไม่ได้ก็มีด้วยไา่ยกินะครับหรือเพื่อเพราะต้องการจะให้ เพราะต้องการจะให้การเสียหายนะครับแต่ในสองบทเบื้องต้นสองบทเบื้องต้นก็คือทําลายกับเททิ้งนะครับเมื่อพิสุจน์ทลายหรือเทโดยในที่กล่าแล้วการให้เคลื่อนจากฐาย่อมมีได้ใช่ไหมครับถ้าทําลายนะทําลายอย่างทีมัเป็นหม้อนในสายใช่ไหมเราไปทุบเนี่ยในสายมันก็จะไาลออกมาได้ใช่ไหมครับหรือว่าเททิ้งเลยเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนจากฐาได้ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อทําอย่างนั้นเป็นพันธะไทยเพราะใครจะให้เสียหาถึงมันขึ้นจากฐานจิตนะแต่ใจต้องการให้เสียหายเนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นปรารถชิงนะครับปักแค่พันธะไทยแต่ว่าถ้าเป็นไถ่จิตนะครับเป็นปรารถชิก ด, ด้วยไถ่จิต น, จจะนะครับถ้ามัจิตคิดจะขโมยเนะครับนี่ไม่จะเป็นปรารถชิกอย่างกรณีนนีเมื่อวานเนี่ยเราโยนกระเพร่าค่อยแตกนี้่มันเพื่อขานะใช่ไหม แต่ใจแลกวขอหยุดทอมไม่เสียหายอย่ า, ายทรมาร์ครับให้ยังปรับพลัไทยอยู่นะครับถ่าใจต้องการที่จะรับข้อมูลต้องปรับพลัดชได้นะครับามือถือน่นะครับว่ า, า่างี้พัดไทยนะแล้วก็จ่ายอย่างนั้นก็จ่ายไปจ่ายไปเรื่อยๆที่ยงไม่มีนะบินดมาให้ก็แล้วคิดจะจ่ายไม่ได้คิดจะทอดทุระเลยนะครับวยอสมาเรื่องตงงัวก็มีแค่นี้นะมาขอจ่ายเรื่อยๆก็แล้วกันคบมาหลายเ่เหมือนนะั้น ยังไม่จ่ายแล้วไม่ชอบกินบ้างก็ยังยังไม่ต้องยังปรับเวลาทิ้นไม่ได้แต่เรามีแค่นเนั้นค่อยจ่ายไปอย่างนี้ได้เราไมันช่่าต้องปุ๊บปั๊มเนีลยเราไม่มีจะทํำยังไงใช่ไหยครับเรามีจริงบอกยากก็แล้วเพื่อนก็ช่วยก็แล้วเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ไงโยงจ่ายกันโยงแพงเลยก็ไม่ค่อยจ่ายเยอะแต่มาจะรวบรวมใบต่อนานแล้วกันนะก็น่านะไม่ค่อยจายก็ได้ขออย่าท้อที่างแล้วละกัน ย like. ไม่เป no. ็นดูที่หน้าห้สสองเมื่อกี้สังฆิกะปัญจักจตกแลงนะครับต่อไปปุบผ้าประโยคนปัญจิกะเป็นไงคือหนึ่งปุบผ้าประโยคะความพยายามครั้งแรกในการรับสองาประโยคะความพยายามพร้อมกับการรับสามสัมติฐารหาร การชวนกันไปรับสี่สังเกตกรรมการนัดนหมายกาันรับห้านิมิตกรรมการรักโดยเครื่องหมายไว้นี่ก็แบ่งเป็นหาข้อเหมือนกันบรรดาปัจจัยทั้งห้านั้นปุภาะประโยคน์ข้าพึงสร้างด้วยอำ น, นาจแห่งการสั่งอันนี้ก็อยู่หน้าสองพัสิบสี่เหมือนเดิมก็งทูตชาสั่งถ้าเขารังได้แน่นอนผู้สั่งก็เป็นแบบประราชิตตั้งแต่สั่งเหมือเดิมนะ เนี่เป็นภาพประโยคครับคนร้านก็เป็นปราที่ตอนที่ลากได้ครับเครื่องจักรฐานนะอ น, นี้ไม่ยากครับสร้างประโยคพึงสร้าบด้วยอํานาจแห่งการทําให้สิ่งของเคลื่อนจักรฐานและด้วยอํานาจแห่งการย้ายหลักและยึดเอาที่นาเป็นต้อนครับโอ้นี่น่าสนใจมากนะเกี่ยวกับย้ายหลักยึดเอาที่นาเป็นต้องนีครับข้อมือจีเสี่ก้าวเราเนี่ยครับ <c oughs> ไปเกี่ยวเรื่องที่ดินใช่ไหมครับที่ดินวัดที่ดินโยกแล้วก็ไปทำทารู้วาป่าหลังอะไรครับอันนี้เสี่ยงเหมือนกันนะรูปที่โยกครับใช่ครับเปเครับอปลูกปลูกต้นไผ่ไปครับมีต้นไผ่มัยต้นไผ่ไรัปลูกต้นไผ่ไม่ได้ครับอัน ท, ที่ ท, ทาทำสิ่งของที่จัดฐานไม่ยากนะครับคือการปรัขโมยธรรมนา แล้วก็ทําให้ขึ้นตัวฐานที่ที่บานเีื่อวานนะครับฐานตรงไหนบ้างความจริงมีหลายลักษณะนะเมื่อวานเราพูดถึงของที่มีฐานเดียวนะครับแต่ของที่มีสองฐานก็มีอย่างเช่อว่าหม้อนะครับอันนี้หม้อซับนะครับเข้าไปมัดถึงไว้กันหลังนะครับมีสองฐานนะครับข้าหมอ้อ น, นี่ขึ้นตัวฐานแล้วนะแต่ว่าไอเชือกอยู่ไปที่นะครับหมุนไปรอบเลย อย่างนี oder, ้ไ like, ม่ม like, ีเลาเช่นนะพ่อฐานยังอยู่นะครับฐานฐานที ma. ่มัดกําหลังยังอยู่ครับอ๋อถ้าโดนอะไรก็โนอนะครัอ๋อไม่เป็นไรครับเอาของที่อยู well, ่ในหม้อเคลื่อนโดนอะครับเพืนครับอย่างที่ว่าเอาใบอาหารใบตัาเเ้าหรือมือลวกเราครับแต่ถ้าผู้ใดคนที่จะล้างทั้หม้อเลยเถ้ามืไม่หนักเกินไปครับแบ่กไปได้เนี่ยแล้วหม้อนั้นเกิดแบบมีสองหายนะ มันต้องตั้งสองฐานขึ้นจากฐานเลยนะครับก็คือหม้อนี้เป็นจากฐานเรียบร้อยแล้วอาจจะตัดเชือกออกนะครับหรือว่าแก้เชือกหรือเดินออกข้างหลังเลยอย่างงี้นะครับเมื่อเครื่องั้งสองฐานเนี่ยถึงจะต้องปรลาเที่ยงนะครับถ้าเครื้องแค่ฐานเือดียวนะไมให้อง แต่เชื่อมอยู่กับที่ไม่ใส่บ้างไ ม, งม่ไม่ต้องประสิทธิ์ังไม่ต้องประสิทธิ์แต่แ้วครั้งไม่เชื่อแล้วรั่วเขาเฉพาะอันนั้นโดนเลยเขาโดนเลยทำแหละการไม่เชื่อจริงจริงนะจ๊ะแต่ว่า <c oughs> เราเอาต้องเลยฐานนั้นเราจะไม่เอาฐานหมอนะครับอเอาฐานซ้าผีในหม้อเลยลเขาถ้าเราจะไม่ยกหมอนน ะ, อะเราจะแค่ซ้านะครับอันนี้ในกรณีที่จะเาทั้งหม้อเขาล้วเกิดตัดเชื่อมแล้ว ตัดเชือกต่อให้ยาวขึ้นแล้วก็ยกหอวไปบางไว้แล้วมีคนเดินไปดูนี่เราอไม่ได้สั่งต่อเชือกให้ยามขึ้นอ๋อนแปลงแต่เนื้อขางนี้อขบนะครับเชือกขาพอเชือกขาปุ๊บแล้วก็ท้าวขึ้นแต่ฐานก็ดูแล้วนะครับหรือขึ้นแต่านก่อนแล้วก็ตัดเชือกก็ดูนะวอันที่มาต่อที่หลังก็ช่อไม่ได้ <c oughs> อ๋อมันเป็นความพยายของเราครับ <c oughs> ไม่ใช่ความพยายาของเราเนะทาออกมาได้นะับได้ราคมินิคิจาร์นะ่ก็โดนครับครับถ้าเราเอาไฟไปสูงเลยแล้วก็เอาไข่เจียวด้นเลยอิ่เลยต้นครับไม่ไ ออแล้วหม่ออ้ำมันก็ามามนาาต้องเยอะค่าท้ามันถึงมันไม่น่าจะเกียวได้ครับน้มันงเยอะไม่น่าจะ <c oughs> <c oughs> งเกี้ยวได้คร <c oughs> ับ อาที่ติดกันใช่ไหมเอาว่าที่นานะสองสองแปลงนคนละกีไลก่กคนละแสนนี่ครับมันติดกันพอดีที่นาเขามีบ่อนะพอดีใช่ไหมครับถ้าอย่างบ่อนะเขาจะนีอะไรกันนะเขาจะมีไอ้คันแล้วก็หรือว่าคันใช่ไหมของ บ, บ่อหนึ่กทีนะครับแล้วเวลาขุดเราก็ขุดย่างนี้นก็คือก็ขาลายคันนะเรียว่า ขุข้างในด้วย่มันจะมีลักษณะเนี่ยนะขโมยน้าในนาเขาครับอันนั้นโดนนาติดกันนะแล้วก็ขโมยน้าในนาเขาแอบขายท่านในนาเาครับอย่างนี้ทางนาได้ราคาโดนนะแต่เพราะแต่ละคันนานของแต่ละเจ้ามันต้องมีคขนาขั้นใช่ไหมแถมบ้านนอกจะนึกภาพออกครับ แล้วก็ไปทํางายทานาข้าเส้นนะครับเปิดประตูน้ำตรงนนั้นเลยไหลชื่อจั่วลอยนาเลยนะทาเป็นนะำ่อานะครับแน่นจะเดิได้ครับอืมครับนี่เลแล้วกรนี่ว่าเข้ามาในที่เราได้ได้ราคาครับนี่ครับไม่รู้เนี่ออย้ายย้ายหลักย้ายหล่กนล้ครับ ไปดูหน้าวัดสิลหกหน้านี่ศิลปหงให้ารัวัดขหมีหน้าคร <c oughs> ับท้าหวังว่านะครับเมื่อพิสูจน์แยกชิงเอาทัญยชา่ามีรวงข้าวสาวดีเป็นต้นก็ดีใช้มือนั่นเองเด็ดเอาหรือเกี่ยวเอาทีารวมทีระรวมก็ดีหรือท้อนรวมกันเอาทีละแมะ่ทีละ ม, ะมากๆก็ดี วัตถุพราสติกจะพบในมเมล็ดในรวงในกรรมหรือในผลมีถั่วเขียวและถั่วล่าชมาศเป็นต้นใดๆเมื่อมเมล่ดเป็นต้นนั้นแต่ก็ว่าเึง่อนอยู่อางคั่วเป็นพลาสติกนะครับนี่สอกข้างกันแล้เสร้างข้าวเปลือกแม้เป็นของยาวลําต้นของเรวงข้าวเปลือกยังไม่อยู่ออกจากสร้างข้าวอันนี้ผ่านไปแล้วมาดูหลักเลยดีวยกว่าครับวันทีหกครับวันที่ห้าในการปักหลัก ลุกเล้าเป็นต้นมีวิสัยแบบ น, นี้ขึ้นที่ว่าแผ่นดินเป็นของหาค่าไม่ได้หมายว่านับค่าไม่ได้ราคาเยอะมากครับแค่นิดเดียวราคาเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีราคาข้างมวลได้ครับคือมนนับค่าไม่ได้เลยเมื่อถ้าเป็นลูเข้าวี่เดียวนิดเดียวนะ ม, นมีโอกาสอีู่เป็นปกลางคิ ด, ดยังไงนะครับก็เห็นนั้นถ้าว่าพิสูจน์ธรรมประเทศแห่งแผ่นดินแม้เพียงปลายเส้นผมนะครับ ให้เป็นของของตนด้วยหลักเพียงอันเดียวเท่านั้นควงเจ้าของจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามที่หลักนั้นจะจานึกชื่อหรือไม่จานึก็ตามพอเธอลูปเสร็จก็เป็นประราชิดแก่เธอด้วยแก่ที่สุดทั้งปวงผู้มีสันทละร่วงกว่าเธอด้ว ย, น, ยนะครับแค่หลักเดียวครับถ้าวังเราสามารถจะโกงที่เข้ามาได้ น, นะด้วยเพียงหลักเดียวเท่า น, นั้นนะครับเนี่ยก็ยเป็นประราชิดไนดะ้ หลังมันอาจจะแบบอะไรนะในงานเขตนาเราเนี่ยมันอาจจะมีหลังแล้วใช่ไหมคหลังนี่หนึ่งสองสามสี่มุมใช่ไครับแค่ว่าเราล้ายย้ายหลังมุมนี้นะหรือว่าย้ายหลังตรงนี้น่ะมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคเวลาคิดพื้นที่เราก็คิดเป็นสี่เหลี่ยมดูดูดูถ้าย้ายหลังนี้นะสามารถเป็นกองที่เท่าหน้าเนี่ยก็ต้องพลัะที่นะโดดแล้ว ทั้งรูปนั้นทั้งที่มีฉันท่ารูปกันอีกโดนหมดเลยครับใช่ครับมีฉันท่ารคูป อ, อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เป็นกรรมสงสงไม่ได้คนระับสงสงทีนี้ถ้าว่าที่นั้นอ่ายึดด้วยหลังเดียวแม่สามมันยึดเอาได้คนระับต้องสองหลังนะถึงจะยึดเอาได้ แต่ถ้าที่นานั้นเป็นของที่หยิบพื้นองเอาได้ด้วยหลักสองอันครับเป็นถือมัใจในหลักอันที่หนึ่งเราก็รูปหลักที่หนึ่งมถือมัตใจก่อนเป็นประราชิษในหลักที่สองหลักที่สองตองประราชินถ้าเป็นของที่ยิบพื้นองเอาได้ด้วยหลักสามหลักสามอันนะครับเป็นทุกกฎในหลักที่หนึ่งถือมัตใหลักที่สองประราชิษในหลักที่สา แต่ว่าถ้าจะาสามมาลักเอาได้ด้วยหลักที่มากกว่านั้นนะแค่สามยังไม่สามไปโกงเขาได้ครับต้องใช้หลักมากกว่านั้นนะครับเราได้บอกว่าเป็นทุกกดด้วยหลักต้นๆนครับต้นนะหลักรองสุดท้ายอันนั้นเป็นถึงตัวใจหลักสุดท้ายเป็นประหลาดชีวิตเราถ้าบอกว่ามีหลักดีไหมนะครับ <c oughs> อก็การอาชี PN ั้นแหลย่อมมีด้วยความทอดทุรละของผู้เจ้าของในการลุกทั้งพวงมีการลูกล้ําด้วยเชื่อกเป็นต้นก็อย่างนี้นครับการทอดทุนละของผู้เจ้าของเนี่ยเจ้าของทอดทุทนละด้วยนะครับเือตอนแรกพูดว่าเ อ, อจะเห็นหรือไม่เห็นก็าตามครับอดอตอนท้ายหนึ่งครับพิสูจมีความประสงค์ใช้ให้ผู้เข้าใจนาของผู้อื่นว่านี้เป็นนาของเรา จึงรุกคันนาของตอนเข้าไปโดยประการที่แนวนาของตอนจะล้อนาของผู้อื่หรือเอาดินร่วนหรือดินเหนียวเป็นต้นเสริม้ายกว้างออกไปหรือว่าตั้งคันนาที่ยังไม่มทําขึ้นตอน้ตองถูกกดในเบี่ยงต้นๆอันนี้ก็เหมือนกันก็อประการชิมนั้นแหล้ยอ่อมมีด้วยความทตุนคติของของผู้เจ้าของพราะว่าอย่างนี้ครับแสดงว่าสามารถโองได้เลยนะสามารถ ผักเขาไม่รู้เลยครับโดนล่าไปแล้วเขาลอดทุลักคือเขาไม่มีความพยายามที่จะเอาอีกใช่ไหมครับอาจารยไม่เอาอก็คือมาหลายต่นี่ข้าวจะไม่รู้ก็ไดนะ้โดนโกงไปแล้วเขาเลยไม่ได้คิดว่ า, า ม, มันเป็นของเขาแล้วใ่ครับมันเป็นของเราแล้วเพราะทุลัทถ้าเอาอย่างนี้นะว่าที่นี่ไม่เป็นของเราแล้วตร ง, ง, อองนั้ น, ะ ก, น, น, น, น, นก็จะโดนโด น, โดน ที่ย้อนที่ปัญหาที่อาจารย์ถามเมาื่อวานีไอ้ที่ว่าทางไทยีสานใช่ไหมครับ<อ>เขาเป็นเซ็นเอาวัสดุก่อสร้างมาแล้วมายอมจ่ายให้หมดใช่ไหมครับตอนสุดท้ายเจ้าของเขามาทวงพอทวงไม่ทด้จริงๆก็เลยให้ท่านไปเลยอยากจะเอาก็เอาไปเลยใช่ไหมครับผมก็อยากจะรอถามอาจาย์ไปโทรถามแล้วโทรแล้วทวงอ่ะเจ้ิทธไม่มีคนรับนะครับก็ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้ไม่ใช่การเข้าใจกนนะครับถ้าว่าเ้าเข้าธุรางก่อนนะแล้วเขาคิดให้ทีหลังในกรณีเข้าไปทวงแล้วเนี่ยเข้าไปทวงแล้วไม่ได้นะครับทวงเงิก็ไม่ได้ท้าก็เลยเทง่ยงเราคงไม่ได้แล้วนะครับเราคงไม่ได้เราไม่ได้แล้วแน่ๆนะครับเพราะธุรากันแล้วนะมันเป็นของเราแล้วเอาไม่ได้แล้วแล้วเขาคิดให้ทีหลังนะครับนะไอตอนเข้าธุรากันโดนไปแล้วครับไอที่คิดใหทีหลังมันตอนทีหลังที พอธรรมดาเนี่ยตอนแรก็ต้องมีหวังมันจะได้คืนเขาเลยไปทวงใช่ไหมครับแต่พอทวงไม่ได้จริงๆแล้วก็เลยหมดหวังทอดทุน้าไป<ม>แล้วก็เลยทำใจอี่างไระเอาเอาไปเถอะนะครับก็เป็นพระกปนเจ้าเนียจะไปจะไปฟ้องร้องเข้ใหญ่ๆยิ่งครับราัวบาทมันจะเอายงงดีอะเอาก็เอาไปแต่ใจท้อทุน่าตอนแรกมีแล้ครับตอนั้นจะดล้วพี่สุวิวัฒนนะครับทีนี้เนี่ย ยากของิสูจจะกล้แล้วยากยกของพิสูจน์นะยากของเจ้าอครับนาเจ้าอาอ่าแล้วพิสูจนตงนี้ก็เลยโกงที่วัดใหยกัวเองนะครับโครับใม่โของโยงนะครับเราโกงที่ที่น่ที่วัดขงจงอีงครับก็เปนะครับก็เลยขอเขียนหลเข้ามาหนอยหนึ่งก็เป็นคนมาหนั่คนยาวอีกก็โดนอนู่นนะครับคาความนกันครับอแล้ว พ่อกงของใครครับครับเนี่ยก <Yeah. S 1> so, so mm ็ของมนุษย์ครับขาของโกงของย่าก็ดีมะโกงของวัาก็ดีครับโอ้ยกำหนักอีกครับยิ่งโกงของสงด้วยครับกำหนักอีกนะไม่สงสงในวัดนั่นนะครับเหมือนกันครับสองวันนี้ใช่ไหมเป็นกงที่อินของสองวัดโน้น ครับก็โยนหมือนกันครับไม่พ้นนะครับขอไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีจินตนาด้วยนะถึงจะเป็นฟังน้ำิ้นถ้าเราไปย้ายเขตก็จริงเนี่ยแต่เราเข้าใจผิดใช่ไหมความจริงมกระทายยกออะไรใครแต่ใคก็ว่าเข็มเรียบร้อยว่าเข็มนี้มีนี่นี่ถึงนี้ใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแน่นอนว่าเขตว่ามีถึงนี่เพราะทุกคนก็ตางก็บอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออะไรมาว่านนะแต่ความจริงแล้วมันดังไปกินเข็โยนได้หนึ่งครับแต่เราไม่รู้เลยนะ ถยถ่จิตไม่มีเลยแล้วมีเจรณาอย่างนี้โยมคนหนไม่เรียบร้อยแล้วถ้าเขาไปวางสาวเองที่นคะครับนก็ไม่ดูครับเพราะอย่งนี้ต้องมีไถยจิครับไถจิตไม่มีไม่ดงครับแต่ตรงนี้ถ้าเให้ระวังนะเพราะว่าไม่แน่ในางใจไม่แน่อีกทีมีอะไรขึ้นมานี่นะก็ให้พวกโยมและกรรมการผูกระทำยัคนวันามันควรทำ อ็กตครั้งครั้งครั้งโยนแล้วที่พระอะไอย่างเง้ครับทำด้วยแล้วก็นนหลัง้ก็ไก็ิยครับนอก็ปล่อยมนครับ่ก็มีเหมือนกันครับแต่ความจริงที่ว่าไนะครับยอมเขาลี่ครับวนี้แม่ลุกที่ว่านเรคลุกที่ป่ามาครับพระก็คือไม่เลิกการโยนเข้ามาอยู่ใกล้พอโยแล้วก็ไม่ใช่ที่คําที่ป่าม ถ้าก็มาสร้างมากนลยแล้วกลมันดีลนะจะไม่สะดวกเขาแค่มีลูกฝั่งนี้ก็ลูกฝั่งน้้ยก็ลูกฝั่งนู้นก็ลูกหนักเลยตอนนั้นฝั่งนู้นพลูกนะครับที่เขาจะมาทำรั่วอะไรขึ้นนะตรงุติกม็มณชานเบอร์สิบแปดนะครับตรง น, นั้นหนาลูกเขาขึ้นมาน่ไกลเ ล, ย, ลยตอนนั้นก็คือแล้วก็ตรง น, นี้ครับทางหลังเขาเนี่ยยมภูมแรกเคยไปไปักหลักที่หนึ่งนะครับมาบอยให้านฟังว่ามียวเข้ามาลูกที่มารูปอะไรนะครับ ก็เลยคุยกันนะนะครับแล้วก็อนุมานใช้งบสองนะครับที่ไปปักป้ายเฉยนะปักป้ายไม่ได้ยิงงบลูกอมที่วัดนะครับเพราะมันที่ป่าไม้ไม่มีที่จะลูกอมมีที่วัดอยู่แล้วไปปักเพื่อใหเขารู้ว่าเนี่ยมันเป็นเขตป่าไม้นะครับก mm ็ป้ายเขาเขียนว่าไหนนะผมไม่รู้จําไม่ได้ mm hmm. เขียว่าเขตอะไ mm hmm. เขตป่าขโมนเขตป่าไม้มานี่นะครับ ทีนี้มันเกิดเหตุการอะไรครับพวกพวกไม่พอใจทุบป้า้ทิ้งเลยครับโอ้โก้ได้นะทุบป้ายเลยนครับทำไม่หลังห้ป้ายอยู่นะมันจะมีป้ายสองป้ายนะครับหนึ่งทุบนครับยังข้อฝั่งเนี้่ยที่เราลูกเขาลุ่มแนะฝั่งนี้ครับที่ทุกป้ายตรงนี้นะครับฝั่งอื่นที่ยังไม่ทุบนะก็ยังอยู่ครับอยู่เล่นก็เข้าไปจัดการอีกอะไรครับไม่โดนกินไปแล้วตรงนี้โดกินไปแล้วครับ ขาที่ปามากครับข่าวขลุ่นที่ป่ า, า, าเ ข, า, ข, า, ข, ขากินไปรเรียบร้อยนะทำอะไรรักวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเขาไม่สำเร็จผลที่เราไปทอรนะความจริงมันมีปัญหาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ป่ามาที่ที่เขามีอะไรแต่ตรง น, นี้นะเขาบอกโอ้หแบบหนักมากแล้วเจ้าหนาท่อีกคนหนึ่งนี มาล่ามที่หมอฟ่าว่ามีเหตุการณ์อย่างดหนึ่ครับแลวทีงดังนจ้าที่ป่าไม้ที่ส่ร่วมคิดนะก็โดนซักฟอกครัขมีปัญหาเหมือนกันเนี่มันก็เลยอยู่ดีดอ่ะที่เรนตั้งการเป็นของเขาไมคุนี้คนโน้นเือครับมีปะปะมความ็บปปัมาแล้วครับอันเช่นที่ที่ดินนะเจ้าที่ดินที่ไปออกฉลและขเขามาได้เลิถ้าเกิดว่าเห็นการณ์รู้การว่าเขาอยูรง เขายึดไม่ได้เลยต้องแบบเหมือนประเทศจีนทุกสึกงทุกอย่างมนของรัฐบาลทำงานแทบตาซื้อบ้าซื้อรถซื้อเคืองบินทุกอย่างของรัฐบาลแล้วทำไมยึดติดอะไรรัฐที่เขาหมอเฉินตรงใช่ไหม นั่นก็ดีนะไม่ต้งยึดติดอะบ้านน้อก็ปนของรับาน่ขอาหมดนะครับเ้าก็ถือว่าไปยืมของหลวงไห้เฉยถือจะหาเงินแทบตานั่นเป็นซไอมาเครับครับไปนะครับอันนี้ผ่านนะครับต่อไปสามิทามหานคือพิสูจหลายรูปชาติชวนกันครับปรึกษาหานือตกลงกันว่า พวกเราจะพะมวนซับนูน้นแล้วพากันไปรักบรรดาพิสุที่ชวนกันไปอย่างนี้เมื่อพิสุรูปหนึ่งนะครทําสิ่งของให้ขึ้นจากฐานพิสุทุูรูปถือว่าเป็นผู้รักก็คือพิสุทั้งหมดต้องแบบประหาดชินนครับท่านชวนกันไปนั่งนะครับบอะว่าพิสุมีเขยยจิตคิดจรักซ้งนะครับที่ตั้งอยู่ในวัดในในที่ไหนก็นแล้วแต่นะอันนี้สมุตนนะ ยกตัวอย่างมานะครับพิสูจมีไถ่ยึดคิดจะนั่งซับ อ, อ, อยู่ในแผ่นดินเที่ยวสแสวงหาเพื่อนก็ตามสแสวงหาจอบก็ตามตะกร้าก็ตามเดินไปก็ตามต้องบัตรทุกก น, นะครับตลอดเลยนะเราเกิดความคิดใช่ไหมแล้วก็ไปสแสวงหาพ้เสื้อหาพหาู้ของเขาเพื่อจะไปขโมยกันโดยทุกกฎตลอดเลยท่านตนัดไม้หรือเท้าวาันซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้นต้องบัตรทุกกฎ น, นะครับพอสม า, านผ้าพ่วงหน้าเดินไปเรื่อนยะครับ ไปยังถึงที่ตั้งหม้อของซับนะครับธรรมดาการตัดต้นไม้ชาววันจะเป็นไปอีตีใช่ั้มให้เป็นไม้สดดีนะครับแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นสหประโยชน์นะครับของอาวุป ร, ราชินนะก็เลยเป็นแค่ทุกกดนะครับไปฟันกไปตัดไม้อยู่ในหม้อของซัาเลยนะนั้นแหละก็เลยเป็นแค่ทุกกดขุดก็ตามคุยก็ตามโวยขึ้ก็ตามในคุดดินก็ไ ป, อ, ปอีตีนะแต่ว่าในที่นี้มันเป็นปความพยาของประราชินนะครับซึ่งวินร่วนต้ามัดทุกกด กูจะแบบเจอม่อแล้วนะจับต้อนม่อต้อนบัตรถกกทําให้ม่อให้ไหวต้อนบัตรถึงใจทำม่อใขึ้นจากฐานต้อนบบประลาชิดนอกจากในที่นี้มีที่นั่นง209เข้าชักชวนกันไปนะครับอันไปชวนเป็นประลักยังคืออะไรอนี้นะถ้ารูปใดรูปหนึ่งรักมาได้ก็เป็นประลาชิดกันทั้งหมดนะจ๊อไม่รอดนะ209ไมเหือ น, นอย้างพิเศษ จะไม่ได้บอกให้บอกว่าใช่ขโมยจะโยงให้ขโวยเราแล้วบอกว่าใช้ไม่บอกมาเป็นอาหาตรุ่นี้อ๋อนี่ก็ไม่ับถ้าผู้เียนอ้อมอ้อมนประจายเขารู้ว่ามีต้นตรงนี้อยู่นะแต่เราไม่ได้ใช้เขาเล่อันนี้ก็ยังไม่โดนแต่มันก็มีดีก็ไม่ดีนะครับบอกบอกเงินครับ อ๋อแค่นี้เอไม่โดนคไม่โดนนะขนามบอกว่ า, าที่นั่นพูดถึงมันตะกีนอ่ะตั้ำอยู่ในบ้านเข้าเลยแล้วบ้านนั้นก็มไม่มีผู้หญิงมีผู้ชายเลยแล้วสามมันกีเข้าขโมลลยได้สบายๆนะไมนมีคนคนุคน้มกันคนดูแลด้วยนะครับแล้วซ้ำมาเก็บไว้ในตู้เซฟนั่นตรงนี้นั่นบอกไปเลเอย่ี้เลย <c oughs> ไม่มีผู้ชายอยู่ไหนที่แบบาลูกผู้ชายจะไปขโมยมาเลยเนี่ยแล้วมีใครตั้งคนไม่ได้ยินเข้านะครับแล้วก็ไปขโมยมา ลูกที่พูดอย่างนั้นไม่โดดครับเพราะว่าทีงานทางจะอการพูดหรืออ้อมจะไม่โดดครับต้องสั่งออกมาตรงๆเลยถึงจะเป็นครับไม่เหมือนกับการข้ามนุษย์นะถ้าข้ามนุ่นไม่ได้เลยอ้อมก็ไม่ได้อ้อมก็เป็นครับขนาดอะไรนะขนะว่าไปเยี่ยมไข้ท่านที่ป่วยเนี่ยแล้วบอกท่านปรองเสือไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกอะไรแล้วก็อะไรนะให้นั่นเหมือนกับคูดในข้องตายนะครับ ให้่ใหตายนะแต่จะมีคำพูดหมือนจอมก็ได้นะครับไห้เขาต้องตายแหละครับเขาเขาเนีแล้วท่านก็รักษาเสียนั้นมันดีแล้วอยู่ไปก็ทรมานตายไปได้เป็นสวรรค์แน่ท่านนี่อยู่่าทุกทรมานเลยครับครับแล้วถ้าถือว่ามีใจที่ต้องการเข้เขาตายเกิดขึ้นมานะครับแล้วลูกนั้นพยายามทําพื่ให้ตายตายถึงลอยครับ รถึงยะเป็นนะครับแต่ถ้าตามธรรมชาติก็ยังไม่โดนครับคืออารมก็คงมีายีะครับเ้เลยเคยอยู่อตอยู่นคอนเสิตไม่ไ้พดยครับเนหมาตรงนั้นเองยิ้มไม่ได้ง่ายสบายสบา คนละเครื่องนอะหมอกแกงเนี่ยคนละเค่งสังอันนี้ของจริงเลยคือเป็นประจารพู้เลี้ยงอ้อผู้ทำผู้ทำเนี่ยทำเนอะผู้ทำงานอง้ทำแต่มีทุกสิ่งผ้าเดรนหน้าแล้วก็เจ็บอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าจอมยุทธ์ีโนเริ่ออะไร ค่ะคือบางบางบางรขบอกว่านับก็มเอนแต่เราเอาไม่ได้ค่ะอยู่ตรนั้นตรงัค่ะอ๋อบ่อยใส่ไม่โดนครับถ้ามันเป็นการสั่งมไม่โดนถ้าจะโดนกคนที่เอานะถ้าซ้ำต้องมีเจ้าของห่วงแขนะครับแล้วตัเรื่งรางต้นงไถ่จิตนะถ้าเพือดูบางสกุลนี้นะมันยังไม่ถึงขั้นประสาชิคมันครับ อาเกี่วกับทำหลงเจ้าของคงไม่เอาแล้วมั่งไปไหนน่าไม่รู้เนี่ยก่อนสิ่งไม่มีเจ้าของยังถึงก่เราไปบางส่วนคุณเงินเส้นนี้ครับไม่ไปนิสิตีไปตีครับเนี่ยนะไม่ถึงขั้นประราชิตถ้องดูใจด้วยนะครับว่าต้องดูเนี่้เดือนนี้มีตอนช้ายนะบอกว่าอย่าเพิ่งฝากปลาที่ผิดเดียวเลยต้องดูหลายอย่างต้องดูวัตถูกนะครับมีเจ้าของไหมดูเวลาถ้าขโวยตอนไหนดูสถานที่นะครับ ดูราคาการใช้สอนหลายอย่างเพราะบางอย่างในที่นี้นะครับมีราคาแพงถ้าอยู่ที่หนึ่งไม่ไม่มีราคาเลยต้องรูว่าเขาขโมวณที่ไหนครับองนี้ด้วยนะผมว่าจำไม่ได้ไม่เปลี่ยนนะเพราะไม่ได้ใส่บอกลยว่าคนละเครื่องหนึ่งมเขาหมายอะไรเหมือนแรกคนละเครื่องนลยใช่ถ้าได้ออกไม่เปลี่ยนครับ ฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮราฮ่าฮ่าฮ่อฮคาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่คฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าง่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮาาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่่าา ต่อไปครับ อ, อ่าสังสังเกตกรรมคือการมันหมายก็ถ้าพิสุธถูกพิสุอธิรูปหนึ่งกาหนดเวลาลวมีเวลาก่อนฉันข้าวเป็นต้นเวลาในเวลาหนึ่งแล้วบอกให้รับสามารักทรัพย์นั้นมาได้ตรงเวลาที่กหมดไว้พิสุทผู้นั้นสั่งออผู้สั่งกาหนดเวลา ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับในขณะที่หนักนั่นเองนะครับสั่งกำนเวลาเลยนะให้รับตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงอะไรก็แล้แต่นะครับถ้าเขาเล่นได้สั่งกำหนดเวลานั้นพอดีนะเนี่ยผู้สั่งนะครับถือว่าเป็นปาราซิกตั่นแต่สั่งกำหนดเวลาส่วนผู้รักก็เป็นปาราซิกต่อที่รักหน้าแต่ถ้าวันผิดเวลานะเขาบอกให้รับตอนเช้านะครับกลับไปรับตอนสายหรือว่าตอนบ่ายตอนเที่ยงนะครับ ก็จะไม่เป็นไะครับเนีถ้าคาดเกินเวลาไม่ได้ถ้าจะเรียนใช่ไหมบอกให้ราบเวลาเก้าโมงสิบนาทีไปเข้าไปลาเนี่ยเก้าโมงสิบสองนาทีเนี่ยคาดเครื่องคำสางน้นั่นเขาอย่างเงี้ยนะไม่เป็นนะต้องตรงตามที่นัดไว้นะครับในไงก็อย่างเงี้ย ครับเอาที่ทำผิดได้แล้วครับผมวได้มามาตอเออได้ทำผิดก็ไม่เป็นไรไปต่อได้ตอนที่สาไม่เป็นแค่แต่จะมันเป็นตอนที่ถ well? ีหลังนะครับตอนที่ล่าจากมึงีัไม่เห็นครับครับครับโรัเ่ยดีรัก้งมาได้นะครับของนันเป็นของใครนะตอนนี้น่าจะเป็นของคนรักของคนที่รักใช่ไหมไม่ได้เป็นของเจ้าของแล้ว เนไปักครคทมครับถ้าเรารู้แน่ว่านะเข้าใจแน่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นของเจ้าของเดิมแล้วมันเป็นของคนนี้แล้วใช่ไมครับคนที่นั่งมาให้เรานี่ก็ไม่ดูครับไม่ดูเป็นงเกี่ยวไม่ได้ให้าครับคือเกิดตัวที่ให้แบบนี้ทห้มตัวนี้นะครับ มันจะมีในวิญญาแต่ว่าถูกพาดางเรื่องหนึ่งเรื่องที่มีโจรไปขโมยมะม่วงขโมยไร่ข้าวครับและเกิดเจ้าของติดตามมาโจรโยนของทิ้งไปเลยนะครับโยนของทิ้งเลยนะทีนี้พระเกิดไปเอามายังโดนครับไปเอามาด้วยสายจิตนดีกว่า น, นะในในไม่ญาณแต่ว่าถูกนะครับมันจะมีเรื่องเจ้าของไม่ไม่พอทุนะกวิ่งไล่ตามโจร น, นะ ยื่ไล่ตามจมติดๆลยนะครับนี่แหละมีช <c oughs> าวเขงบอกว่าพวกขโมยลักมะม่วงทํามะม่วงให้หล่นนะครับแล้วก็พอถือไปพวกเจ้าของติดตามพวกขโมยเห็นพวกเจ้าของนะครับขโมยเห็นเจ้าของนะเจ้าของไล่ตามเลยใช่ไหมคนนีงก็เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่ทิ้งของเสร็จแน่นะครับได้ทิ้งของมะม่วงหนีไป พิสูจน์ทั้งหลายคิดว่าพู้เจ้าของจะเห็นนะครับนี่นะกลัวนะถ้านี่โจรทิ้งแล้วนะครับแล้วมีไถยจิตนะครับฉันเสียก่อนชันไปเลยนะครับเนี่ยใช้อะไรนะเจ้าของก็โจรนะครับพวกท่านไม่เป็นสมณะนะครับเขากำลังเกลียดว่าเราต้องประราชิระกำมังหนอการที่เจ้าทรงทราบทรงสันว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอต้องแบปราชิระเนาะเนาะนะอย่างนี่นะครับ นั่นแหละอ้าแก่ใจทั้ง่ถูกนะขอาแล้วว่าอถ้าถือบาถึงคนนะอย่างั้นก็จะไม่โดครับแต่ว่าต้องต้องต้องคืนเลยเป็นสิใช้ต้องคืนให้ครครับอันนี้มีถายยจริงหรือหลอกขอี่บอลเนี่ยอันนี้เทียบเคียงนะเ็นเจจะตะักมาแล้วและก็ทอามาให้ผมพี่บอล สร้า ง, งเป็นขูกขายขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นของขโมยขโมยทิ้งไปแล้วะครับน่หละข้าแต่ยังไม่ขายยัจิ๋นนะถ้าว่าเป็นของขโมยเนี่ยขโมยทิ้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นบางส ก, กุลไปแล้วใช่ครับของที่มันมีเจ้าของถึงข้าวจะมีขายยัจิ๋นก็ไม่น่าจะเป็นประาชิกได้ใช่หอย่างมากแค่ทุกคนแะไปขโมยของทีง่เขาไม่หวงเหตุแต่มีที่ขโมยก็ทุกคนแต่ที้จะไไม่ แต่ไม่รู้ไป็นเนครับต้องดูขอที่มาอันนี้ของท่มาเมื่อวัอครับนี่นี่ข้านู้นใช่ไหมครับครับใครใคมีภาพถูกมาขายสินนะเรื่องค้าประมานี้ครับค้าอย่านี้น่ะคือมียอมคนหนึ่งครับเขาเป็นชาติมงนะเขาไปหาปลาแล้วก็ ใครทอดอวนทอดแผอะไรยังไงนะ ม, ม, มันได้หม้อกุ่นซ้ำมาจากตาใต้ทะเลเขาทีนี้ตามขนหมายของบ้านเมืองครับซ้ำจาลัาจากใต้ทะเลนะเธอจะเป็นสมบัครของหลวงถึงใครจะไปได้มันก็แล้วแต่นะถ้าคุณขึ้นมาได้นั่นคือสมบัติของหลวงต้องไปให้หลวงเอาให้สบหมบัติไปทีนี้คนนี้เขาไม่เอานะครับเข้ามาเข้าที่บ้านตัวแรงเลยนคะครับเอามาเลยก็ไม่คืนให้ครับทีนี้คนนั้นเข้ามาบว่วน พอเข้ามาบวชครบนะก็อยู่ได้สักพักครับทั้งบ้านมัจะโทรมาครับบอกนี่ตำัวมีอะไรเขาจะมาโคเอาของนี่นะท่านก็หัวนี่ก็รู้สึกท่านจะกลับไปหรือว่าสั่งญาติแม่แน่ใจนะให้ไปซ่อนของนั้นหว้อยซ่อนของนั้นไว้นะครับครัว่าพวกตำรวจพวกนี้จะมาเอานะะครับไปสู่รุ่นหนึ่งก็ทูมันถามผมว่าเป็นปรราชิมั้ยท่านจะโดนปลาชิมหรมบว่า ท่านขโมยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วท่านถือว่าเป็นของท่านไปแล้วนะนะครับพ่อขโมยตั้งแต่เป็นโยใช่ไหมครับถือว่าเป็นของตัเองไปแล้วแล้วก็มาเคลื่อนย้ายจำเป็ผ้าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นของข้างแต่ประโยคไปแล้วไปนะครับนี่ข้าวกรเกเช่นผลันนี้มะม่วกเนี่ยทานทักที่ถูงมา่เดยอนสามพระพเจ้าแต่ท่านเปร บบเนี้ยถ้าถ้ามากอนถ้าโอ้คอคาไม่รู้ตัวตั้งเดียปาไม่รู้ตัวเลยปรหาดชินครับครับก็ไม่ได้ครับมันเปเหมือนบรุษีทสาขาแล้วนครับจะเดินง้องน้ไม่ได้แล้วนะครับจะรู้ไม่รู้เลยครับจะิน้องน้ไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะไปนรอบลุ้น่าเนี่ยดีนะไปนรอ เพราะว we ่าท we ีนคาห์เนี่ยถ้าใรอบหนึ่งว่ายังไม่สายยังไม่ห่างถ้าไม่รู้ตัวอะไรจริงๆนะไม่รู้ตัวเลยว่าต้องปลาชิสนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างนั้นมันร่อแหล่โดยไม่รู้เนี่ยว่าจะมีมาขั้นปลาชิสกันยังไงโดยเฉพาะทินคาห์นะแล้วณไปเติมเปต้องเข้าดึงที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วจนเขาสาคัลเป็นผ้าอะไรที่อย่างนะอยู่ไปเป็มอน้าผ้านะครับเพราะว่าแต่ว่าทีไม่กั้นไม่กัน แต่ว่าบรรูุไม่ได้ <c oughs> นึ่ในกลางนะ่นนะถ้ารันน่ะถ้าถึงขั้นปรารถิรแล้วเนี่ยนะว่านิพานนิพงไม่ได้นะแต่นี้มันหนักเลมันขาดในความเป็นสมณะแล้วนะครับมันหนักตรงที่ว่ามันกระตานยอดด้วยมรูดสีสังขาใบไม้ที่หล่นจากขั่วแล้วนี่นะครับอเป็นผู้ท้ายแพ้หนักน่นะน่นะ ที่ว่าไปไปโกงไม้หูอาจารย์เป็นต้นมีอย่าง น, านี้ค่ะพนี้ครับแต่นั่นเป็นอธิกรรมวิสังเงินที่ต้องการชิดใช่ไหมครับแต่ถ้าต้องไปนะครับมันมีที่ว่ า, วาเอ๋อมียที่ว่าสงสยัยนหมสง ส, ยสัยขนาดถึงว่าต้องแล้วจริงๆนะท่านกต่ยังไม่ตัดสินไปเลยไม่บอกเลตรงนะครับให้ลองไปเข้ากรรมฐานจิตสมองตั้งมั่นจะไม่มีอารมณ์เดียวหรือเปล่ า, างั้นครับ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่สะดวกเลยนะจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นพุ่งข้ามนะครับเอาเลคิดถึงเรื่องนี้แหละนะบางคนแวะก็้มาวะเข้าม า, า, มายืดๆ น, นะครับนั่นแหละแสดงว่าโดนแล้วนะครับถึงอันนั้นกูหนึ่งคนที่เขาเป็นจริงนะครับพระวนิจฉก็อย่างพิ่งไปบอกเป็นตรให้เขานั่นเองครับขอบใจนะครับขอบคุณใครับ่เาอธิบายตรงนี้มาจากวิจัยอรหรือว่าอะไครับผมมีคำพิเศ อยู่ในเ ร, รื่องนี้แหนะครับอาจจะเจอท้ท้ายน่ะข้ังเกิดการวิจัยหลักฐานสิ่งต่อไปนะครับนิมิตรกรรมคือการทําเครื่องหมายมีการสื่อารเป็นต้นเพื่อเกิดความเข้าใจนะคก็ <c oughs> ถ้าพิสูจนรักเอาซับมาได้ตรงกับสัญญาที่ทําไว้อย่างนั้นพิสูจน์เพืสัญญาณได้ชื่อว่ารักในขณะที่สัญญานั่เอง <c oughs> บอกวาผมหบิบนิ้วมือให้ลงมือได้เลยนะ ลงมือนะขเขาลงมืตามสัญญาณเลยนะคนสั่งก็ถึงว่าเป็นปรานที่จะให้สัญญาแล้วครับส่วนคนที่รั้งหมายถึงว่าถ้าจะรั่งมาได้แน่นอนนะครับส่วนคนที่รั้งก็เป็นปราธานทีต่อที่ลัง<ช>้งเป็นมันได้ายอย่างนะยักคิ้วหรือต า, าคมม้าคามีอผิวปากอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่มีพยัคฆหน้าเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกนังแลงสมัยก่อนนะพวกไว้พวกนักแลง น, นะ เวลามันจะชกต่อยกันเขาจะดูสัญญาของพวกน้อง พ, พี่น้องพี่ะครับน้พี่เขาใช้สัญญาเป็งไงนูอพี่เขาจะสบัดหัวครับน้องพี่สบัดหัวมาถึงลุยได้นี้นะอันนี้เหมือนกันถ้าพลาดสบัดหัว่าเนี่ยถ้าสบัดหัมคือลงมือเลยแต่ถ้าไม่ตรงทางสัญญาเน้นนะไปรักก่อนหรือว่าละที่หลักสัญญาเนี่ยนะครับนี้คนสั่ก็จะไม่โดนอันนี้ก็ต่อครับต่อไปเทยาวมวหารปันเจขาดเป็นไฉนะครับ คหนึ่งเถียรามวหาญการลักโดยการเห็นขโมยสปงปสัยหามหาญการลักโดยการข่มขู่สามปลิกรภาวหาญการลักโดยการกำหนดของหรือสถานที่ 4. ปฏิสนาวหาญการลักโดยการปกปิดสิ่งของไว้ห้าอุสาวหาญการลักโดยการสับเปลี่ยนสละ บรรดาปัจากาเหล่านั้นที่สู่ใดตัดช่องย่องเบาลักเอามานะครับไปรักเล็กขโมยน้อยใช่ไหมเข้าไปในบ้านเขานะครับก็จะมีตัดที่ต่อนะในเรียนจะมีที่ต่อฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทีครับไปตัดให้เป็นช่องแล้วก็มุลเข้าไปนะสมัยก่อนมีสาหัสกันมากนะขนาดโจในคูดมมูมงทีครับคุูดูมองออกไปแล้วก็ทะลุเข้าไปนเไปนีบ้า น, นเขาเลยโอ้สาหัสหน้าดูเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ขาวโอ้ข่าวข่าวข่โอ้ยธรรมดานะพยายามที่หน้าดูแล้วไปติดปูหรอเปล่าเขาก็เ่อข่าวว่าเช่าบ้านเ่าอะไรแล้วปูจากที่หน้าเลยนอ้่ามโอ้ข่าหกปีเลยอ๋อพยาญามสุดยอดเลยนะพยายา ครับครับครับครับครััครรับครับครับครับครับครับคัครับัคครับครับคครับครับัครับ หรือหลอกเขาด้วยตาช่างกงอันนี้ก็ไม่ได้นะพบ ก, กงตาช่างหรือเงินปลอมครับเงินปลอมธนบัตรปลอมนะไปซื้อค่าซื้อของปลอมเข้ามาถือเอาสิ่งของอาการรับของไม่สุนั้นพูดถือเอาอย่างนี้เพิ่งทรางว่าเป็นเถอยาวหาเป็นการขมโขมยนะครับขโมยผู้นีหลอกลวงผู้นี้นี่โดนหมดเลยนะครับตอนนี้ท่านเล่าในดีการนะท่านเล่าเรื่องของนั่งเรงสุรานะครับกงเอาแม่เนนะี่ย มันจะมีบุตรคนหนึ่งนะครับเขาถือพวกเนื้อเนื้อแก้งเนื้อกวางเนื้อสยอยัตว์เนี่ยนะมาร์คแบกบมาเลยสองตัวมีแม่เนื้อตัวนึงลูกเนื้อตัวนึงนครับแล้วพวกเนื้อแมลงตุลานะะกำลังดึงตุลาใช่ไหมแล้ ก, ก็เห็นขา้าวพอดีนนครับก็คิดว่ า, วาจะไปเนะี่ยไปซื้อนะไปโกงเอาเนื้อของเขาครับก็เลยไปเลยถามว่าเอ้าไอ้เนื้อของท่านเนี่ยแม่มันกี่ราคาเท่าไหร่ลูกมันราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าแม่มันราคา สองกระสานนะครับรูกมันราคาแค่กระสานเดียวหรือว่าเป็นเหรียญก็ได้นะเขาลบออ่นั่งเลยบอก ว, ว่าเน้นถ้าจะเอาลูกมันก็แล้วกันนะเนี่ยลูกมันแค่หนึ่งเหรียญใช่ไหมเอาไปเหรียญหนึ่งนขับแล้วลกูเนี้อามาก็าเดินกลับไปนะครับพอเดนไม่ได้สมัยอะก็รีบวิ่งกลับมาะไรนะวิ่งกลับมาเลยนะครับเขาบอกอ่เอาผมไม่เอาเอ า, เอาลูกแล้วนะขอเปลี่ยนเอาเป็นแม่เนี้ยได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นแม่เนี้ยได้ครับเขาก็บอกว่าได้ไม่ได้ เมื่อกี้คุณบอกว่าแม่เนื้อเท่าไหร่นะสองเหรียญสองเหรียญใช่ไหมครับเมื่อกี้นะผมให้คุณไปแลกเหรียญหนึ่งแลกลูเนื้ออีกหนึ่งเหรียญใช่ไหมเอามันเอาไปแล้วแม่เนื้อมาเลครับคนนั้นก็ให้แม่เนื้อมานะนั้นเองคุณลาก็เอาแม่เอาแม่เนื้อไปครับหายรับไปเลยนะคนนี้ก็ยังยินงงอยู่ครับ <c ười> <c ười> ยืงงงเนี่ยเอขอข้อใท็จว่าเหมืองกันเห็นผลได้จริงนะ นึกไม่ทันเลยครับถนัดแกงปองถนิ่งก็เลยได้แม่นี่มาเลือกธนาคารหนึ่งเหรียญนะครับ อ้โไม่ไห้ครับก็อบได้นั่งผที่ถูกอยคราวันแลนี่เขาเล่หรอผมตายี่กินเป็นไรหสบบาทนี่ยังบบาทได้ยาวไหมลบห้าสิบบา่ามสิบบาทว่าอะไรต่อไปครับกินหน่อยนะฮะแค่จบหน้านี้แค่นึง ส่วนพิสูจน์ใดข่มขูถึงเอาสิ่งของผู้อื่นโดยพระตาการนะครับเหมือนโจนปล้นชาวบ้านนะเป็นต้นอาจจะมีมีไม้ถ้ามีปืนจี้ก็แล้แต่นะข่มัวเงินะนะฮะให้มัเทียดิ้นกันโดนนะครับรู้ว่าใช้กําลังก็แล้วแต่นะนะครับข่มขวางเข้ามาหรือถือภาษีอากรเกินกว่ากำหนดนะครับเหมือนพวกข้าราชการโกงเป็นต้นนะมันไปเก็บภาษีเข้าได้นะครับ การการลักษของพิสูจพูดถึงเอาอย่างนะั้นถึงทรามา่าปัสสายหาวหาคือการข่มขู่เอาโดยเรพาะเรื่อการข่มขู่เอานะอย่อางนะนี้นะครับพาสียางกรหรือว่าเก็บอะไรหนะะ้าค่าเช่าบ้านเช่าเช่ า, าที่เกินอย่างนี้นะครับเป็นส่งข้อหน้านะครับบางที่มันจะมีโยมมาเช่าที่วันใช่ไหมแล้วก็เรือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะตกลงกันนะครับถ้าเราไปเก็บเกินเนี้ยก็ถูกโดยเฉก็จะเข้าในข้อเนี้ยนะะ หน็จบนะครับหรือต้องเคียก่อนครับในั้ที่สุดนี่ของความใจนอกงในทำยังของเู้ถากโจงจดน้าหลังด้วยกันทุกท่านทั ว่า